ตันหังกาโรมาหาวิโรเมทังกาโรมายโสสารนังกาโรโลกิโตที่ปังกาโรชุตินดารโรกนตัญยชนาปโมโคมังกาโรปุริสาสโพ สุมาโนสุมาโนธีโรเรวัตโตรติวัตถโนโสพิโตคุณาสัมปันโนอนุมทัสีชนุตตะโมปัทโมโลกปัชโชโตนารโทวรสารที ปาโทมุตโรสัตตาาโรสุเมโทอาปติปุกคโลสุชาโตสาพาโลกังโคปิยาทัดสีนาราสโพอาทาทัดสีกาลุนิโกธรรมทัดสีตโมนุทโ สีทาโทอาสะโมโลเกติโสจาวททัตตวโรโุโสจาวระโทพุทโววิปัสิจานุปโมสิกีสัพพหิโตสัทธาเวสูสุขทายโกกากุสันโทสัทธวาห โขนาขมโนชนันระนันชาโหกสโปอเซริสามปันโนโคตโมสกัคยปงขวตีข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ ขอนอบน้อมพระตันหังกรพระเมธังกรพระสารนังกรพระทีปังกรขอนอบน้อมพระโกนทัญย่าพระมังคละพระสุมาพระเรวัตะพระสพิตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุมัติสีพระปทุมมาพระนารทะพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสุเมธาพระสุชาตะ พระปิยทัต ส, สีพระอัฏฐทัต ส, สีพระธรรมมทัต ส, สีขอนอบน้อมพระสิท ธ, ธาัาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุษสพระวิปสัสสีพระสิกขีขอนอบน้อมพระเวสภูผู้ทรงประทานความสุขขอนอบน้อมพระกุกกุสันทะผู้ทรงนำสัตว์ออกจากกันดานคือกิเลสทั้งหลาย ขอนอบน้อมพระโกนาคมนาผู้ทรงคำจัดเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลสทุกหมู่เราขอนอบน้อมพระกัสสป่สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระสิริอันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐแห่งหมู่สักยาราชทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นที่ทรงได้ตัดสรู้แล้วโดยสิ้นเชิง ขอนอบน้อมพระเดียทรงเจ้าทั้งหลายซึ่งหาประมาณมิได้ขอนอบน้อมพระรัตนาไตรด้วยความเคารพอย่างสูงสุดขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งคณะครัวจารย์ของโยพุทธที่กสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ คณะกรรมการทั้งหลายที่ร่วมกันจัดงานขออนุโมทนาแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจรวมใจกันเป็นสมานาฉันในการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาประพฤติปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้และก็ขออนุโมทนาในกุศลละเจตนาของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจกันไว้ดีแล้ว ในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติกันเป็นเวลาหวันหรือเจดวันเนี่ยนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศเพราะเจตจำนงคือความจงใจและความตั้งใจที่ต้องการที่จะมาประพฤติปฏิบัติในเป็นสิ่งที่ดีงามขอให้ท่านทั้งหลายรักษาเจตจำนงที่ดีที่เป็นกุศลเขาไว้ทีนี้ ทำไมเราท่านทั้งหลายจึงมาประพฤติปฏิบัติกันประเด็นแรกก็คือหนึ่งเรามีความเชื่อเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตที่เขาเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t า a คือเชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าสามารถที่จะเป็นแบบแผน เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาประชาว์ให้พ้นจากกันดานคกอพบเป็นต้นได้แล้วก็เชื่อมั่นในโมอรียาสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งท่านเหล่านั้นได้ทำตนเองเดินตามรอยบาปวัสดา ท, ทำตนเองให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์แล้วเชื่อมั่นหลักการโดยเฉพาะว่าธรรมฉะนั้นในคอร์สการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวในเรื่องการต้องการมาประพฤติปฏิบัติกัน ในการเจริญอาณาปณสติกรรมฐานทีนี้ประเด็นก็เลยเมันตั้งอยู่ว่าเอาละพวกเราได้ตั้งใจกันมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้นําอัตภาพมามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยคือมอบกายถวายชีวิตแดพ่พระพุทธเจ้าแด่บุตรธรรมและแด่ประสงค์อันนี้ก็เรียกมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราใช้คำว่าอัตภาวังเนี่ยถวายอัตภาพเออถวายอัตภาพอัตภาพในที่นั้นในในก็คืออะไรอัตภาพนั้นก็คือขันห้าขันห้าก็คือเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสรุปก็คือกายและใจนี่อัตภาพที่รวมกันเป็นกระแสชีวิต ในกระแสะชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีกระแสะชีวิตที่ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจใช่ไหมเนี่ยอัตภาพตรงนี้แหละถามว่าทําไมเราจึงถวายอัตภาพแด่พระรัตนตรัยและแด่ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยได้มอบกายถวายชีวิตของเราเนี่ยให้กับกิเลสมานานแล้ว โดยเฉพาะความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงที่ย่อยลงไปก็เรียกว่าตัณหามาณและทิฏฐิให้สังเกตดูนะว่าในกระแสชีวิตของประชาว์ทั้งหลายเนี่ยเราเป็นธาตุของความโลภเราเป็นธาตุของความโกรธเราเป็นธาตุของความมัวเมาลุ่มหลงเวลาความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ย แล้วมันบงการอะไรเราก็เป็นเราก็ตอบสนองเขาเช่นความโลภเขาอยากจะดูในสิ่งที่สวยๆงามๆเราก็ต้องนำอัถภาพเนี่ยเกืรเกสนไปแล้วเป็นาธาตุของเขาความโลภมันอยากจะฟังเสียงเ พ, เพ้อๆความโลภมันอยากจะดมกลิ่นหอมๆความโลภที่มันต้องการอยากจะกินอาหารรสอร่อยอ ความโรบที่มันต้องการอยากจะให้เราได้สัมผัสที่นิ่มนวลความโรบที่มันต้องการให้เรานั้นน่ะได้บรรยากาศที่งดงามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยเราก็นำอัตภาพเนี้ยตอบสนองทําตามความโรภบางครั้งความโกรธเข้าเข้ามาแทรกเช่นความโกรธที่มันบงการให้เราต้องไปเกลียดคนนั้นไปประทศสลายคนนี้ หรือไปทําผิดทําชั่วใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจบงการให้ความโกรธบงการเราครอบงําเราแล้วก็คอยชี้นําเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความมืดบอดที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้โมหะคือความมืดบอดเนี่ยความไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่านี่เป็นบาป ไม่รู้เนี่ยว่าเป็นอากุศลกรรมมลาโมกทั้งหลายเวลาความหลงมันปิดกระแสชีวิตเราแล้วเนี่ยมันก็บงการทำให้เราฟุ้งซ่านบ้างทำให้เราเกิดลั ง, ลงเลสงสัยไม่กล้าที่จะอุทิศกายอุทิศใจในการที่จะกระทําความที่ดีหรือสิ่งที่ดีงามฉะนั้นในกระแสชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราเป็นทาสของความโลภเป็นทาสของความโกรธ เป็นธาตุของความมัวเมาลุ่มหลงแล้วก็เป็นมาอย่างนี้หลายศตรวรรษหลายสังสารวัฏแล้วมาวันนี้เราท่านทั้งหลายเราได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8จารณาสิเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นบรมศ า, ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สามารถจําแนกแจกแจงวัธมรัตนะสามารถที่จะวางระบบวางระเบียบวางแบบแผนแนะนําพร่ำสอนนําพาประชาชนเนี่ยให้ออกจากความเป็นทาตของกิเลสคือความโลภโกรธหลงเป็นต้นได้นาพาประชาชน ให้พ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้แล้วสามารถอยู่อย่างความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริงพอรเราไม่ได้ยินอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าดีจริงจริงพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็สามารถเปลื้องประชาศาสตร์ให้พ้นจากวัฏกทุกข์ได้จริงภริยาสงฆ์ก็เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับที่มาพร่ำสอนและในขณะเดียวกันก็นกคือสามารถเป็น อารียสงเป็นชุมชนที่น่าเข้าไปอยู่หน่าดีจะนาพากระแสชีวิตของเราเองเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในอาริยสังฆานั้นจริงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็พากันมาพากันมาจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วแต่แต่รูปแบบคืออย่างนี้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยเรามายืนยันตนเองว่านี่แหละข้าพเจ้าก็จะเป็นขอนเป็นหนึ่งในชุมชนอริยสังขานั้น คือเราปรารถนาจะออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนแล้วปรารถนาที่จะออกจากความโลภโกรธหลงไม่ต้องการเป็นาทาตของความโลภไม่ต้องการเป็นาทาตของความโกรธความวิตกกังวลทั้งหลายเป็นต้นไม่ต้องการเป็นาทาตของความมัวเมาลุ่มหลงเราก็เลยมามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรม แล้วก็มอบกายถวายชีวิตแด่ภาริยสง์แล้วก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ดีจริงๆแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเปลื้องตนเองออกจากวัฏทุกข์ได้ออกจากกิเลสได้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จริงแล้วเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงว่าจะสามารถทําให้เรานั้นพ้นจากกันดานกล่าวคือทุกหรือพบทั้งหลายเป็นต้นได้จริง เชื่อมั่นอริยสงฆ์ว่าสามารถจะทําสกาละแม่น้อยนิดเนี่ยทําให้มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากได้ใช่ไหมเออเชื่อมั่นอย่างนี้เราก็เลยมามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรยัยทีนี้พอมามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยแล้วเนี่ยไม่พอเราก็ต้องการหากัลยาณมิตรโดยเฉพาะครูอาจารย์เนี่ย จะสามารถเนี่ยบอกกล่าวแนะนำพร่ำสอนที่จะนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้ไปเชื่อมติดกับพระรัตนตรัยได้ก็เลยมีกระบวนการว่ามอบกายถวายชีวิตแด่อาจารย์อาจารย์อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรถ้าพูดให้ชัดลงไปก็คือเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำพร่ำสอนเป็นที่ปรึกษาให้กับเรา แล้วจะได้เรานำหลักทำคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กัลยาณมิตรมาบอกกล่าวนั่นแหละนําเอาไปประพฤติปฏิบัติไปฝึกขัดไปขัดเกลวเพื่อนําพาชีวิตของตนเองนั้นน่ะให้เข้าถึงความหลุดพ้นให้ได้นี่คือจุดหมายคือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างนี้เอาละเทนี้พวกเราทั้งหลายมากันมากหน้าหลายตาใช่ไหม ทีนี้ไปต่างคนต่างก็มีอัธยาศัยหรือโทนนิสัยแตกต่างกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีให้สังเกตัวนะสิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนนั้น่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรามีความเหมือนกันอยู่ตรงที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหมือนกัน มีความแก่เป็นธรรมดานั่นเหมือนกันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานั้นเหมือนกันมีความตายเป็นธรรมดานั้นเหมือนกันเป็นต้นแล้วก็มีความเป็นธรรมดาก็คือว่าถ้าเราจะเราทำกุศลกรรมไอ้ตัวกุศลกรรมก็จะตามหล่อเลี้ยงตามส่งเสริมกระแสชีวิตแต่ถ้าเราทอาอกุศลกรรมบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายก็จะตามเบียดเบียนบีบคั้น แล้วก็ทำให้กระแสชีวิตประสบทุกประสบโทษเป็นต้นนี่คือความเหมือนกันของการที่ว่ากระแสชีวิตเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่เราต่างกันตรงโทนนิสัยอุดอัธยาใสโทนนิสัยอัธย า, ยธยาัยที่ต่างกันน่ะบางคนก็มีอัธยาัยที่มีความโลภโกรธหลงมากน้อยต่างกันใช่ไหมต่างกันออกไป และบางคนก็มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างนะบางคนอาจจะมีมากบางคนอาจจะมีน้อยบางคนอาจจะเริ่มศึกษาใหม่บางคนศึกษาเก่าบางคนก็เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างแนวนูน้นบางคนก็เคยประพฤติปฏิบัติมาตามแนวนี้เป็นต้นนั่นที่คือความต่างกันโดยโทนนิสัยโดยอัธยาศัยแต่เหมือนกันโดยเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวทีนี้ เมื่อเรามีความแตกต่างกันอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมาะกับอัธยาศัยเราไหมก็ต้องบอกว่าพระธรรมของพระุทธเจ้าเนี่ยเหมาะแก่อทายาสัยของสัตว์ทุกประเภทแต่ว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นน่ะที่ว่าจะเหมาะ ก, กับอัธยาสัยแก่สัตว์ทุกประเภทนั้นน่ะเหมาะแบบประเภทไหนอย่างไรที่เราจะเริ่มต้นกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ แต่จุดหมายของพวกเราที่เราตั้งไว้ให้สังเกตดูในพระเจ้าวางจุดหมายไว้สระดับคือจุดหมายของชีวิตจุดหมายระดับแรกเลยเนี่ยพระเจ้าบอกว่าหนึ่งจุดหมายที่ตาเห็นได้สองจุดหมายที่เลยตาเห็นสก็คือจุดหมายที่สูงสุดนี่มีสามระดับอย่างนี้นะเอาละเบื้องต้น จุดหมายของชีวิตเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอนไว้จุดหมายที่ตาเห็นได้คืออะไรจุดหมายที่ตาเห็นได้เนี่ยเริ่มต้นจริงๆพระเจ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพบอกว่าเอาละจุดหมายที่ตาเห็นได้โดยมากจะส่วนเป็นส่วนของด้านของกายภาพเช่นด้านสุขภาพคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่จะเบียดเบียน คุณภาพชีวิตค่อนข้างดีแล้วก็ฉลาดในการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตตนเองดีด้วยอันนี้ก็เรียกจุดหมายที่ตาเห็นได้พุทธเจ้าก็สอนว่าควรจะทํายังไงปฏิบัติต่ อ, อกระแสชีวิตของตนเองอย่างไรเพื่อจะได้เป็นจุดหมายต่อการที่จะทําให้กระแสชีวิตของตนเองนั้ น, เ, น, นเดินไปสู่จุดหมายายทางได้อย่างถูกต้องเห็นไหมเริ่มต้นจริงๆพุทธเจ้าสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอจุดหมายว่าจุดหมายที่ตาเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร ความขยันหมั่นเพียรในการ1การแสวงหาทรัพย์การแสวงหาทรัพย์ขยันหนึ่งแสวงหาทรัพย์สขยั น, นยในการศึกษาเล่าเรียนขยันในการที่จะประกอบอาชีพการงานทั้งหลายเป็นต้นอันนี้เรื่องความขยันเรื่องความหมั่นเพียรแล้วไม่ใช่แค่นั้นแล้วเมื่อขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์แสวงหาความรู้ก็รู้จักการรักษารู้จักรักษาหรู้จักดูแลเป็นต้นด้วย ทีนี้ถามว่ารู้จักการรักษาและดูแลนั้นยังไม่ยังไม่ใช่แค่นั้นประการต่อมาคือว่าชีวิตจะถึงความเจริญได้ก็ต้องรู้จักหากัลยาณมิตรก็คือว่าได้เสพคุนกรัลรยาณมิตรมิตรที่เหมาะสมที่สามารถเป็นที่ปรึกษาจะนำพาชีวิตของเรานั้นนะ่ะให้ประสบความสาเร็จในปัจจุบันนพบแล้วก็ในในพบต่อๆอไปเป็นต้นด้วย และประการที่สี่ก็คือพูดแบบคร่าวๆก็คือว่าการวางตนให้เหมาะสมกับความที่ว่าเป็นหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกางี้เป็นต้นก็คือวางตนเหมาะสมประพฤติธรรมที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าจุดหมายที่ตาเห็น ทีนี้ประการต่อมาที่เราจะเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือว่าเราก็ไปตรวจสอบดูว่าจุดหมายที่ตาเห็นได้เนี่ยเรามีตรงไหนบกพร่องถ้าบกพร่องก็แก้ไขให้ดีขึ้นถ้ามันดีอยู่แล้วก็พัฒนามันจเจริญไปบูนยิ่งขึ้นไปนี่คือจุดหมายที่ตาเห็นได้อาภรณ์ต่อมาคือจุดหมายที่เลยตาเห็นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมาล้นล้วนข้อแรก ให้สังเกตดูนะยมตอบในใจถ้าจะถามกันเป็นรายบุคคลเนี่ยมันจะตอบกันก็จะเป็นเรื่องยุ่งเพราะเวลาจำกัดเนะเาะอัปปารแรกเลยจุดหมายที่ตาเห็นไม่ได้แต่เลยตาเห็นเนี่ยแต่สามารถจะรู้จะเข้าใจได้ด้วยปัญญาได้แต่ละบุคคลหนึ่งคือศรัทธายอมลองสังเกตโดยยมมีศรัทธาไหมคือความเชื่อมั่นในพระรรมไตรเชื่อมั่นไหมให้สังเกตดูนะ ถ้ามีศรัทธาเนี่ยมีไม่มีให้ไปตัวจสอบคำว่าศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อภาษาทาก็แปลว่าเรื่มใสความเชื่อในที่นี้คือเชื่อมัน่นเอาในฐานะเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเชื่อมั่นอะไรก่อนเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าในศัพท์เนี่ยท่านจะใช้คําว่าตถาคตโพธิศรัทธาตถาคาตะก็ได้ตถาคตก็ได้ ตถาคตโพธิส mm. ัต tha เแปลว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตถามว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้เนี่ยคือเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นโพธิปัญญาหรือเชื่อมั่นสัมโพธิคือปัญญาที่ตรัสรู้สัจจะสี่เชื่อมั่นปัญญาที่ตรัสรู้ทุก ปัญญาที่ตัดสู้เหตุให้เกิดทุกข์ปัญญาที่ตัดสู้ความดับทุกข์ปัญญาที่ตัดสู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ mm. เชื่อมั่นต่อปัญญานี้แล้วพอเชื่อมั่นปัญญานี้ก็ต้องถามต่อไปว่าใครที่สามารถทําสัมโพธิปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นคนแรกในโลกนี้ใคร เอาใครที่สามารถทำสัมโพธิปัญญาให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นคนแรกได้พระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าที่ทาสัมโพธิปัญญาหรือปัญญาที่เป็นสัมโพธิให้เกิดขึ้นเป็นคนแรกของโลกของจักราวาลนี้ของโลกใบนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วไปเชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ความจริง ตัสรโ้ทุกตัสรูสร้เหตุให้เกิดทุกตัสรู้ความดับทุกตัสรู้หนทางกล่าวคือวิธีการและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกฉะนั้นปัญญาเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อมั่นปัญญาเนี่ยใคร ท, ทําโพธิปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นคนแรกเราต้องตอบให้ได้เนะในฐานะที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะมาเจริญอาณาปานสติเนี่ยถ้าเราขาด พอที่ปัญญาความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วการปฏิบัติของเราจะเดินไม่ได้ข้อแรกสำคัญที่ต้องการปลูกเน้นก่อนนั้นเชื่อมั่นปัญญาตรัสรุ้สัจจสีเระบอกเชื่อมั่นปัญญาตรัสรุ้สัจจสีย้อนถามว่าใครเป็นคนที่ทำปัญญาประเภทนี้ให้เกิดขึ้นได้เป็นคนแรกของโลก ตอบในใจได้ไหมพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำปัญญาประเภทนี้ให้เกิดขึ้นได้เป็นคนแรกเราจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตที่บอกว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เป็นพระอรหรันต เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเห็นไหมไม่มีครูอาจารย์และสามารถนำสิ่งที่ตนเองหรือที่พระองค์เองทรงตัดสรู้ทรงแทงตลอดนั้นเอามาบอกกล่าวเอามาเปิดเผยเอามาแนะนำแล้วสามารถวางระบบระเบียบแบบแผนเป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัตินำพาให้เรานั้นได้สามารถ พระพุทธปฏิบัติเดินตามรอยบาทรพระศาสดาได้โดยไม่ลังเลสงสัยพอเข้าใจอย่างว่ามีไหมความเชื่อตรงนี้มีไหมมั่นใจไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมั่นใจหรือไม่มั่นใจเอาแล้วทีนี้ด้วยความมั่นใจตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบคนแรกของโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะมาเป็นต้นแบบที่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วนี่เกิดความมั่นใจอาถามว่ามั่นใจพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมั่นใจพระธรรมด้วย ว่าพระเจ้าแทงตลอดสัจจะสี่ใช่ไหมโดยเฉพาะมั่นใจหลักการอะไรหลักการที่เรียกว่าอาริยมรรยงแปดให้สังเกตด้วนะในอริยมรรยงแปดประการเนี่ยจะมีคําว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในตัวปัญญาที่แทงตลอดสัจจะสี่สัมมาสังกปะความดาริชอบ สององเนี่ยองของมารกสององนี้เขาเรียกว่าตัวสัมปัญญาสิกขาหรือเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาคือตัวปัญญาที่ไปแทงตลอดสัจจะสี่นี่แหละเห็นหโพธิปัญญาอยู่ตรงนี้แหละเห็นนี้โพธิปัญญาคือสององนี้แหละโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นปัญญาสัมโพธิหรือเรียก ปัญญาที่แทงตลอดสัจจะสี่และปัญญานี้แหละที่ทําให้มนุษย์ท่านหนึ่งได้สามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละและสัมมาทิฏฐิอันนี้ที่จะไปแทงตลอดทุกสมุทยัยที่หลดมักนี่ได้ปัญญาสิกขาแล้วนะเอาต่อมาก็มีสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมาการมมันตะการกระทําชอบสัมม า, าชีวะการเลี้ยงชีพชอบสามองค์นี้ สมข้อนี้เขาเรียกว่าอาทิศีลสิกขาสิกขาสิกขาตัวเนี้ยันแปลว่าข้อศึกษาหรือบทฝึกเนี่ยศึกษาคือศีลยิ่งศีลนั้นยิ่งอันนี้เป็นสามองค์ในมรรคนั่นกันเห็ไหมเป็นข้อศีล อภิการต่อมาคือสัมมาวายามะนี่ความเพียรชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบสรุปแล้วก็คืออันนี้เป็นสมาธิศิกขาสรุปก็คือหลักการปฏิบัติถ้าทมในที่นี้ก็คือเป็นชื่อของศีลสมาธิและปัญญามาวันนี้เราตั้งใจมาเจริญ อาณาปานสติสมาธิทีนี้อาณาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายในบรรดามรรคแปดเห็นสำคัญไหมเราไล่ไปดูดิสมาธิฏิสัมมาสังกปะนิปัญญานะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวนิศีนสัมมาวยามะน่กลุ่มสมาธิสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ที่แปด สมาสมาธิโดยเฉพาะเราต้องการมาฝึกนี้แหละมาฝึกมาเจริญอะไรมาเจริญสมาสมาธิจากโลกียะสมาสมาธิเนี่ยเพื่อจะพัฒนาไปถึงโลกุตตะละสมาสมาธิให้ได้ฉะนั้นสมาสมาธิเนี่ยเป็นองค์มรรคที่มีความละเอียดและมีความลึกซึ้งเพราะเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายด้วยและเป็นบทที่เราเป็น เป็นบบเป็นแบบที่เราจะต้องมาฝึกในการที่จะทำสมาธินี้แหละให้เกิดให้มีขึ้นสรุปก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาหรือขยายออกมาก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ดเนี่ยเป็นพระธรรมเป็นธรรมังสรณังขฉามิพระธรรมเหล่านี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าสามารถแทงตลอด ข้อปฏิบัติแล้วก็รู้วิธีการที่จะทำอย่างไรจะทำศีลให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงๆทําทำอย่างไรที่จะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงๆและทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงๆพระเจ้ า, าเนี่ยรู้จกักศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่พอยังรู้วิธีการด้วยว่าจะทาอย่างไรที่จะให้ประชาว์ หรือมวลเวเนยชนทั้งหลายเนะ่ยเวเนยสัตว์สัตว์ที่เป็นพุทธเวเนยเป็นต้นหรือสาวกเวเนยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจะสามารถฝึกตนเองจากที่ว่ามันเป็นมันมีอยู่แล้วนี่นะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่ในทุกกระแสชีวิตของสัตว์แต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลเอาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของตนเองได้ แต่พระเจ้ามีวิธีมีรูปแบบมีหลักการที่จะสามารถทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนี่แหละคำว่าไม่เหมือนกันนะสัตว์ทั้งหลายถูกอะไรลุมเล้าอยู่ทุกกิเลสถูกความโลภลุมเล้าอยู่ถูกความโกรธลุมเล้าอยู่ทุกโมหะคือความมืดบอดเนี่ยลุมเล้าอยู่แล้วก็เป็นเหตุทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นพุกพ่าน ก็วิ่งพ่านกันไปในสังสารวัตรบางกล่มก็วิ่งไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางกล่มก็วิ่งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสาวเยอะมากเลยจนถึงพรหมอรุภพเยอะไปหมดแต่สัตว์เหล่านั้นนะ่ไม่สามารถที่จะประมวลศีลสมาธิปัญญามาประชมในกระแสะชีวิต เพื่อจะเป็นหลักปฏิบัติที่จะนำพาชีวิตของตนเองให้เข้าถึงความหลุดพ้นเป็นต้นได้แต่ด้วยการที่พระเจ้าเนี่ยทำทำอะไรให้เกิดขึ้นทำปัญญาระดับสัมมาสัมโพธิเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพราะทำปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาได้แทงตลอดความจริงพระเจ้าเลยเป็นผู้ที่ตัดสรู้ความจริงตรงนี้เพราะตัดสรู้ความจริงก็เลยรู้จักพระธรรม ว่าจะสามารถนำพากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นปลอดภัยจากสังสารวัฏอย่างไรพระเจ้าก็เลยมาสแสดงมาเปิดเผยมาบอกมาแนะนำพอจะเข้าใจคำว่าพระธรรมไหมว่าเป็นกฎความจริงอย่างนี้อย่างตอนนี้เราท่านทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะทำให้ศีลเกิดขึ้นอย่างติดต่อต่อเนื่องได้ในกระแสชีวิต เราไม่สามารถจะทำสมาธิเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องได้ในกระแสชีวิตเราไม่สามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องได้เราจะถูกกิเลแสแทรกอย่างแรงๆเป็นระยะๆะะใช่ไหมมีมั้มเดี๋ยวกำลังนั่งฟั ง, ฟงธรรมะอยู่อย่างเนี้ยกิเลกสก็มาแทรกมาแทรกตลอดมาคอยปิดกั้นอยู่ตลอดเลยอ่ะบางท่านก็อาจจะสามารถต่อสู้กิกเลสได้ยาวหน่อย แต่บางท่านเนี่ยรู้สึกเสียหายมากไม่ถึงสองนาทีกิเลสเข้ามาแทรกไม่คไม่ถึงนาทีกิเลสเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะเพราะอะไรเพราะไม่มีวิธีการในการที่จะเดินตามหรือฝึกตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทํานําพากระแสชีวิตของตอนเองให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นต้นได้เอาละตอนนี้หนึ่งความเชื่อมั่นอันแรกก็คือเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเห็น ไ, ไหม สองเชื่อมั่นพระธรรมโดยเฉพาะอาริยรมรรยงแปดคือศีลสมาธิปัญญาจะนําพากระแสชีวิตของสัตว์ที่มีกิเลสให้พ้นจากกิเลสได้จริงและจะนาพาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกัณดานคือดภพได้จริงถามพวกเราว่าเชื่อมั่นในศีลไหมที่พระพุทธเจ้าค้นเจอเชื่อมั่นในสมาธิที่พระพุทธเจ้าค้นเจอไหมเชื่อมั่นในปัญญาศิกขาที่พระพุทธเจ้าค้นเจอไหม ถ้าเชื่อมั่นศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วอันนี้ก็เรียกเชื่อมั่นพระธรรมเชื่อมั่นพระธรรมว่าพระธรรมเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติที่จะนำพาประชาว์ให้ออกจากกันดานคือพบการเกิดในพบน้อยพบใหญ่เนี่ยเป็นความกันดานมากนะมันเป็นกันดานกันดานน่กันตาล่า แปลว่าอะไรมันเป็นตัวบีบคั้นมันทำให้เราประสบความทุกข์เช่นเรา ก, การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เหน่อไหมสังเกตดูทีเราต้องมาเจอภัยเยอะแยะหมดแหละภัยเพราะแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็ภัยเพราะเกิดไฟบ้างพายุบ้างแล้วก็เพราะโรคภัยแค่เจ็บลโดยเฉพาะภัยที่มันติดตัวเรามาก็คืออะไรชาติภัยชาาภัย พยาธิภัยมรณภัยความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจอันนี้เป็นมหันตภัยที่พรุทธเจ้า บ, บอกว่าไงที่บอกว่ามะหงเวสรรนางยันตีปภ ะ, ะตานิวนานิจาารามโรคเจตยานี มนุสสาวาติชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารนามุมตมังเนตังสารรนามะขมาสาบดุขาปมมจติแปลได้ไหมพระเจ้าตรัสอะไรพเจยาบอกว่าประชาสัตว์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมหันตภัยเจอมหันตภัยคลุกคลามแล้วมหันตภัยคือแผ่นดินไหวมหันตภัยคือน้ําท่วมมหันตภัยคือพายุใหญ่มหันตภัยคือไฟมหันตภัยคือชาติภัยไงมหันตภัยคือการเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้มหันตภัยคือความตาย มันตะไคือความโศก ค, ความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจมันตะยคือสังกิเลตทั้งหลายที่รุมเราแล้วก็เกิดความทุกเกิดความกลัวก็วิ่งหาสาระกันบางกล่มก็ไปหาภูเขาเป็นสาระบางกล่มก็ไปหาต้นไม้บางกล่มก็ไปหาสารพระ พ, พรหมบ้างพระพรหมบ้างพระอินบ้างดวงจันบ้างดวงอาทิตย์บ้าง ไปหาเป็นสารณเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยพระบรมศ า, ศาสดาบอกว่ายังไงนั่นไม่ใช่สารนะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารนะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสารนะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นได้เชื่อไหมเราเชื่อไหมคำคำนี้ที่พระญาติตรัสวิ่งไปทีวิ่งไปเหอะ เอาไปอ้อนวอนก็ได้ไปบนบานสารกล่าวก็ได้โยมที่ต้องการมาเข้าคอดในการอบรมเจริญอาณาบรรสติในครั้งนี้ใครเคยไปบนบ้างยกมือดิเห็นไหมเนี่ยนี่ไงไหมว่าชีวิตเราไอ้ที่ไม่ยกเอามาก็เชื่อว่าโยมก็เคยไปบนใช่ไหมล่ะ เคยไหมล่ะเอาเคยไปดูหมอดูโหเยอะเลยใช่ไหมพอหมอดูทักมาใจเสียริดดีใจเห็นไหมว่าอย่างเนี้ยเออเรากลัวเพราะเกิดความกลัวขึ้นมาเราใครให้ทำอะไรเราทำหมดเลยให้หาเชือกมาผูกแขนไว้วก็ผูกใช่ไหม คิดว่าเออไอ้ได้เช่นนี้มันจะเป็นมงคลมากถ้าผูกแล้วมันจะทำให้เราอายุยืนผูกไหมทำให้หายจากโรคภัยแครเจ็บก็ผูกใช่ไหมให้ใครไปเป่าหัวให้ก็ยอมให้ใครไปจับหัวให้ก็จับสรพัดแหละคิดว่าเอาน้้ำนี้อาบแล้วมันจะสามารถทำให้อายุยืนเราก็ไปอาะแล้ว ไ, ไปดูไปที่อินเดียไปดูที่โยมเขาก็จะทำพิธีกันแล้ว เขาก็จะอาบน้ําล้างบาปกันก็คิดว่าถ้าไปอาบน้ําแล้วบาปมันจะหมดชั่วทั้งหลายกายทุกจริตวัจจีทุกข์เจริญมโนทุจริญ ท, ที่เขาทากันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหตุทําให้เขาเนี่ยเปลื้องบาปได้ก็ไปถามปัญหาพระเจ้าว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์มันล้างบาปกันได้แบบนี้จริงไหมสัตว์โลกล้างบาปกันอย่างนี้ได้จริงไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าหากมันล้างได้ ปูปาหอยกุ้งเนี่ยที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ไม่บาบไม่มีบาปติดตัวแล้วเพราะมันอาบน้ำทุกวันยังมันมาอยู่ในคลองด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไ้มว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้ว่าเห็นไ้ยสัตว์โลกทั้งหลายเวลาเกิดมหมันตะภัยโคคามแล้วก็วิ่งวิ่งหาสาระกันพระเจ้าบอกไม่ใช่สาระอันเกษมไม่ใช่สาระอันสูงสุด ในบททัชขสูตรที่เราสวดมนต์กันเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าพระอินทร์หรือเทวดาทั้งหลายเหล่าเนี้ยเวลาเขาเกิดความกลัวกันขึ้นมาเวลาจะไปรบเนี่ยเขาให้นึกถึงพระอินทร์บ้างนึกถึงอะไรเนี่ยเ้าจะมีหลักใจของเขาให้สังเกตดูนะเหมือนทหารเนี่ยนะทหารเวลาไปออกรบเนี่ยเขาจะมีคําว่าธงชัยเฉลิมพลพอเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะนึก นึกถึงที่ยึดมัน่นของเขาบางคนก็จะมีเครื่องลางของของัของอะไรก็ว่าไปพระพุทธเจ้าบอกว่าสาระอันกเกษมเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันกเกษมทีนี้การส่วนบุคคลใดนส่วนบุคคลใดคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระธรรมบุคคลใดเข้าถึงพระพุทธเจ้า้าถึงพระธรรม้าถึงพระสง ถามว่าเข้าถึงคืออย่างไรตรงนี้ปัญหาก็ประเด็นตรงนี้คำว่าเข้าถึงหมายความว่าเมื่อเข้าถึงมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงค์แล้วก็มาฟังนี่อย่างเรามานั่งฟังเนี่ยมาฟังว่าพราะพุทธเจ้าเป็นใครพพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เมื่อรู้จักพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบเข้าใจใช่ไหมคาว่าพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบเนี่ยคือพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำปัญญาที่สามารถแทงตลอดสัจจะสี่ให้เกิดขึ้นเขาท่านจึงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะหรือบางทีเราเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t h พัฒถาคตที่เป็นพระ น, นามของพระเจ้าโพธิโพธิเป็นชื่อของปัญญาศรัท ธ, ธาเป็นชื่อของความเชื่อมัน่นถ้าแปลมาก็เชื่อมันม่นโพธิปัญญาคือเชื่อมั่นปัญญาตัสรูของพัฒถาคตดังที่ได้กล่าวว่าพระเจ้ทาทําปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นคือปัญญาที่แทงตลอดความจริงให้เกิดขึ้นเมื่อทําปัญญาที่แทงตลอดความจริงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครัวจานเป็นต้นแล้วเนี่ย เนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถฝึกตนเองได้จนสามารถตัสรู้ได้เป็นต้นและก็เชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงตัสรู้เชื่อมั่นพระธรรมยังไง ร, รู้ไหมว่าพระธรรมที่ทรงตัสรู้โดยเฉพาะอาริยมรตมีองค์แปดเนี่ยเป็นหลักการเป็นข้อปฏิบัติที่ฝึกมนุษย์ให้สามารถตัสรู้ได้ให้ให้สังเกตดูวยนะพรอพระเจ้าตัสรู้แล้วพระพรเจ้าก็มาเทศนาธรรมจักรกับวัฒนสูตร โปรดใครปัญจวัคีทั้งห้าในปัญญวัคีทั้งห้าคือท่านโกลธัญญาเห็นไหมพอมาเทศนาทรมาจักกับปวจระสูตรจบปุ๊บท่านอัญญากลทัญญาได้ดวงตาหินรมยอมเข้าใจคำว่าดวงตาหินรมไหมเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะมีการเทศอย่างเนี้ย ในยุคโดยเฉพาะยุคสมัยครั้งพุทธกาลและหลังสมัยครั้งพุทธกาลมาเนี่ยคนเขาจะตั้งใจฟังมากเพราะเขาถือว่าเขาจะฟังธรรมนี่แหละจะได้เป็นปัจจัยต่อการตัดสู้เขาจึงเคารพธรรมมากมีพระรูปหนึ่งท่านทราบข่าวว่าจะมีพระแสดงธรรมท่านก็เดินลอนแลมมาเนี่สิบหกิโลนะสมัยก่อนมันไม่มีรถนี่ ท่านตั้งใจที่จะมาฟังธรรมท่านเดินทั้งวันเลยเดินเดินเดินเดินเขาจะมีการแสดงธรรมกันกลางคืนใช่ไหมท่านก็เดินออกมาจากเช้าเดี๋ยเดินอย่างเร็วตั้งใจที่จะไปฟังธรรมแต่16กิโลเมตรลงคิดดูเอถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าให้เดินมาเราจะมาไหมเอาไหมเอาพระไปรออยู่อีก16กิโลเมตรให้พวกเราเดินไปก็จะไปฟังธรรมเนี่ยเดินไหม ไม่มีใครไปเลยเนี่ยถ้านั่งรถจะพอได้ใช่ไหมนี่ท่านเดินเดินเดินผลปรากฏว่าท่านเดินไปถึงเนี่ยสี่ห้าทุ่มแล้วเขาแสดงธรรมจบท่านไปไม่ฟังไปฟังไปทันตรงตอนที่ว่าอิทามโวจากพระขวาวคือว่าฟังตอนที่พระท่านแสดงจบพอดี พอท่านบอกว่าท่านไม่ได้ฟังธรรมท่านก็ไปยืนร้องไห้อยู่ยืนร้องไห้ดูสิเนะ่ะท่านไม่ได้ฟังธรรมท่านยืนร้องไห้ถ้าโยมสักคนหนึ่งมานั่งหนะ้าที่ตรงนี้มาไม่ทันน่ไม่ทันที่พระแสดงธรรมยอมคิดว่ายอมคนนั้นเขาจะไปยืนร้องไห้ไหมคิดไหมคิดไหมว่าจะต้องนั่งยืนร้องไห้อยู่ แล้วยืนหัวล้อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแบบเนี้ยหายากแล้วหายากนี่ไปยืนร้องไห้อยู่แต่นี้พระที่ท่านแสดงทำท่านเดินลงมาเห็นก็ถามว่าท่านมายืนร้องร้องไห้ทําอะไรท่านก็เล่าให้ฟังโอ้โหนี่ข้าพเจ้าเนี่ยเดินทางมาตั้งเป็นวันเลยนะเนี่ย สิบหกกิโลนะตั้งใจจะมาฟังธรรมในครั้งนี้แต่โวเสียใจเหลือเกินมาฟังไม่ทันก็เลยร้องไห้พระที่องค์แสดงธรรมก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะแสดงเรื่องเดิมนี่แหละจะแสงเรื่องเดิมนี่ท่านดีใจมากเลยตั้งใจคอยอย่างจิต จ, จดจอ่อ พะวัน ล, ลุขึ้นท่านก็นมาตั้งใจฟังฟังตั้งแต่ต้นเลยมานั่งหน้าด้วยนะตั้งใจฟังตั้งแต่จนยนจบพอฟังจบแล้วท่านได้อะไรรู้ไหมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ไงคนที่เคารพทำก็เป็นแบบนี้เย่าแสดงให้เห็นชัดว่าเวลาฟังธรรมะเนี่ยเขาฟังจริงไหมฟังจริงหรือไม่จริง เขาฟังจริงมากแล้วก็จิตจะจดจ่อต่อเนื่องตลอดเวลาเลยใจไม่ยุ่ไม่วอกแวกไปทั้งอื่นเพราะในขณะที่ฟังธรรมเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไหมเชื่อหรือไม่เชื่อมีไหมในสมัยครั้งพุทธกาลตอนฟังธรรมแล้วบรรลุมีเยอะไหมอตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกขปวทนาสูตรท่านัญญาโกลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมีพรหมรรลตาอีกสิบปดกอด เอาสิบแปดโกรเนี่ยโกรธหนึ่งเท่าไหร่โกรธหนึ่งสิบล้านสิบแปดโกรเท่าไหร่ร้อยแปดสิบล้านในร้อยแปดสิบล้านท่านลองคิดดูเขาได้บรรลุอะ่ะมีพวกเราไหมมีไม่มีไม่มีเห็นไหมเนี่ยเอาดูต่อไปนะ ตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงรมโปรดชะดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารเนี่ยพอแสดงอาทิตต์ปปริยยะสูตรจบปุ๊บชะดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารอีกหนึ่งพันได้บรรลุเป็นพระรหันในจำนวนพันก็อีกสามนั่นมีพวกเราอยู่นั่นเนี้ยนั่นหมมีไหมมีไม่มีเอาไม่มีอีก อา้าวตอนที่พระเจ้าแสดงโปรดพระเจ้าพิมพิสารแสดงทานนากาักถาศีลกถาสักขา ก, า, กามะทีนวะถาเนคขัมมณ น, น้สังสัขกขาจบลงด้วยอริยสัจสี่บอกข้อปฏิบัติบอกข้อปฏิบัติเลยบอกการเจริญตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอแสดงทาจบปุ๊บมีคนบนรรลุ11อดหน้าหดหน้าหด่ะหนึ่งหน้าหดก็หนึ่งหมื่น สินะโหดก็คือสิบอดหมื่นสิบอดหมื่นเท่าไหร่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยสิบอดหมื่นก็คือแสนหนึ่งหมื่น 100, 000, 000คนในแสนหนึ่งหมื่นคนมีพวกเราไหมมีไหมไม่มีอีกเอาอีกที่หนึง่ง ที่จริงพระเจาบรรลุแบบนี้เยอะมาตอนพระเจ้าแสดงรัตนสูตรเนี่ยแสดงแต่ละครั้งเนี่ยสัตว์ได้บรรลุครั้งละแปดหมื่นสี่พันมีพวกเราไหมเอาไม่มีอีกอตอนที่พระเจ้าแสดงยมกบปฏิหารเอาโอราณที่สุดแล้วแสดงที่แดนยมกเนี่ยตอนที่ตรงสาวถีอะ ตอนนี้ปัจจุบันยังเป็นเนินที่แสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่แหะพระเจ้าแสดงยงม ก, กับปาฏิหารนะแสดงปาฏิหารเนี่ ย, ยพอก่อนที่จะขึ้นไปบรรดาวดึงเนี่ยสาตว์ได้บรรลุสองร้อยล้านมีพวกเราไหมเอาไม่มีอีกเอาวันที่ลงจากพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาที่เหยียบที่สังกาษีนครห่างจากห่างจาก สาวธีประมาณ400กิโลเมตรลงตรงนั้นแหละเพราะภาษาริบุตจำภาษาที่สังกษานาครตรงนั้นพระเจ้าก็เสด็จลงบันไดนั้นแล้วก็แสดงธรรมด้วยในครั้งนั้นจัดได้บรลุ300ล้านมีพวกเราไหมมีไม่มีนี่ยังไงต้องการเชีหยเห็นว่า การฟังทำโด้วยความเคารพมีผลหรือไม่มีฉะนั้นตอนนี้เราก็ตั้งอัธยาศัยฟังทำโด้วยความเคารพเขาไว้เคารพคืออะไรไฟังด้วยความเคารพฟังแบบไหนคือก็ตั้งใจฟังนะคําว่าตั้งใจฟังเนี่ย อ, อฐาน อยากจะบอกพวกเราตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราควรทำให้เกิดมีขึ้นในขณะฟังธรรมเขาเรียกปาโมดพระพุทธเจ้าแสดงแสดงหลักคำสอนเข้าไว้ว่าปาโมดชะพาหูโลภิกขุ ป, ปสันโนพุทธศาสนีเป็นต้นบอกว่า ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทภิกษุที่มากด้วยปราโมทปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์เป็นต้นได้ปราโมทช้าพระหูโรภิขุประสันโนพุทธศสาสเนอธิคัตเฉะปะทังสันตังสังขารูปรสมังสุ ข, ขังภิกษุที่มากด้วยปราโมท เลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุสันตบทที่สงบสังขารนั่นเป็นสุขเป็นต้นได้นั้นปราโมทก็แปลว่าอะไรเนี่ยความล่าเลิงเบิกบานใจฉะนั้นตรงนี้ต้องทำเป็นพื้นเพพื้นพื้นฐานจิตใจให้ได้โดยเฉพาะคนที่จะฝึกสมาธิเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจะต้องทาปราโมทเขาเรียกธรรมสมาธิ ถ้าไม่ทําปราโมดให้เกิดขึ้นในใจความล่าเริงเบิกบานใจให้เกิดขึ้นเนี่ยเช่นจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกทําได้ไหมล่ะถามว่าในขณะที่เรายังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่เนี่ยถือว่าดีที่สุดไหมดีไหมเอา้ากินอาหารในขณะที่เราไปนั่งกินอาหารเนี่ยตอน ตอนนั้นเราปรโมาทไหมเบิกบานใจไหมได้นอนเบิกบานใจไหมได้นั่งเบิกบานใจไหมประเด็นมันอยู่ตรงไหนว่ากินอาหารเรากินวันละกี่ครั้งสองครั้งสามครั้งใช่ไหหายใจหายใจวันละกี่ครั้งระหว่างกินอาหารกับหายใจเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันฉะนั้น หายใจเนี่ยสำคัญที่สุดลมหายใจเนี่ยสำคัญที่สุดในโลกถามว่าให้เรามีบ้านราคาร้อยล้านแต่เราหายใจไม่ได้เอาไหมเอาไหมฉะนั้นการหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอาณาปานสติเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ดีที่สุด เพราะได้ดูความเข้าและความออกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกและคนที่ยังหายใจได้อยู่เนี่ยควรจะเบิกบานควรจะล่าเริงควรจะผ่องใสเพราะการที่เราหายใจเข้าหายใจออกได้อยู่นี่แหละชีวิตเราจึงไม่ตายใช่ไหมถ้าเราหายใจไม่ได้ถามว่าชีวิตของเราก็ขาด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาเรียกสังขารอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกายยะสังขารใช่ไหมมันมีกายยะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารอันนี่สังขารสามอะไรทําว่าสังขารในที่นี้ก็ เ, เรียกเครื่องปรุงแต่งอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งทำให้กายนี้ดำรงอยู่ได้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกงั่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาเรียกว่ากายสังขารเป็นตัวปรุงแต่งทําให้กระแสชีวิตร่างกายเนี่ยและจิตใจเป็นต้นเนี่ยอยู่ได้เอา้ายอมหายใจดูทีลองหายใจยาวๆทีเอ้าลองหายใจเข้ายาวๆทีหายใจเข้ายาวๆให้สุดเลยนะ แล้วก็ค่อยๆผ่อนอตอนขาออกให้ออกทั้งปากเป่าออกทั้งปากลองดูนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าออกทั้งปากนี่นะแล้วก็หายใจเข้าทั้งจมูกลึกๆแล้วก็เป่าลมออกมาทั้งปากลองทำานี้สัก5าครั้งที่ทำใ ห, ให้ให้ให้สุดให้เต็มที่เลยนะให้ปอดขยายเต็มที่เลย ต้องทำสักห้าครั้งโดยนเนเออเนี่ยออทำอย่างนี้นะลองให้สังเกตตัวดตดัวว่าเออร่างกายมันสดชื่นขึ้นั้มถ้าทำแล้วสดชื่นขึ้นั้ยนี่ไงว่าฉะนั้นให้เราเกิดความเบิกบานใจในการหายใจเข้าและหายใจออกเป็นพื้นฐาน ถ้าเราจะฝึกสมาธิเนี่ยจะเจริญสมาธิเนี่ยนะถ้าไม่ได้พื้นฐานเบสิกเบื้องต้นเรื่องปราโมดเนี่ยจเจริญกรรมฐานยากคนคนนั้นจะเจริญยากมากนั้นอันดับแรกจริงๆท่านจึงบอกว่าปราโมดผู้มากด้วยปราโมดจะทำที่สุดถึงทำทุกให้หมดสิ้นไปได้แต่โตปลาโมดชังเาอูโรทุกขขันตัง กฤตสติเนี่ยก็หมายความว่าผู้มากได้ปลาโมดนั้นคนที่มีปลาโมดมีความเบิกบานมีความล่าเริงทุกเรื่องในขณะที่ทำความดีนะเช่นได้ให้ทานก็เกิดปลาโมดได้ช่วยเหลือพ่อแม่ก็เกิดปลาโมดล่าเริงผ่องใสได้รักษาศีลก็ล่าเริงผ่องใส ในกระทํากายสุดจริตวจีสุดจริ ต, รตโมโนสุจริตได้ทํากิจกรรมต่างๆเหล่าเนี้ยที่เป็นความดีทั้งหลายจิตก็เกิดล่าเริงเบิกบานใจอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อคนที่มีอัธยาศัยแบบเนี้จเจริญกรรมฐานได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ไปที่ไหนกันเศร้าโศกซึมหงอยเหงาคเครียดวิตกกังวลอันนี้แย่แล้วต่อให้นั่งฟังธรรมะก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ ฉะนั้นปราโมทนี่สําคัญมากๆเลยนะพระพุทธเจ้าบอกเป็นพื้นฐานเลยลราบอกว่าผู้ผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเชื่อมั่นแล้วก็เลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเลื่อมใสในคําสอนพระเจ้าก็เอาคําสอนพระเจ้ามาฝึกเช่นฝึกในการให้เนี่ยโอปราโมทก็เกิด ได้ให้ได้สละได้แบ่งปันปลาโมดก็เกิดได้งดเว้นจากการฆ่าอุ๊ยปลาโมดก็เกิดงดเว้นจากการลักงดปลาโมดก็เกิดงดเวาา้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้องดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอุ๊ยปลาโมดเกิดหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่บางคนมาลักษาศีลก็งั้นและหน้าก็เศร้า หน้าก็เศร้าง้อยซึมมีเรื่องอะไรมนุษย์เต็มไปหมดลักษณะอย่างนี้ลำบากการฝึกสมาธิมันไม่เกิดฉะนั้นตรงนี้เราต้องการอยากจะปูพื้นฐานให้เราทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเราทำงานทางโลกกันวันกี่ชั่วโมง ทุกวันเนี่ยเวลาทำงานตามห้างตามศูนย์การค้าตามบริษัทเนี่ยเขาให้ทำวันละกี่ชั่วโมงรู้ไหมวันละแปดเอาแปดชั่วโมงถามว่าแปดชั่วโมงเนี่เป็นเวลาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไหมเห็นไหมนั้นกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเราต้องทํางานตลอดนะอย่าลืมนะประการต่อมาคือว่าหนึ่งให้สังเกตดูว่า กิจกรรมของชีวิตที่เราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเข้าห้องน้ำต้องกินอาหารต้องมีการสนทนาต้องทำกิจกรรมต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากิจกรรมของชีวิตไหมทีนี้กิจกรรมของชีวิตที่เราดำเนินไปอยู่ทุกๆขณะเนี่ยให้การปฏิบัติธรรมมันเป็นไปได้ทุกขณะได้หรือไม่หรือไม่ได้ได้ไหมได้หรือไม่ได้ เอาเข้าห้องน้ำอย่างไรเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเดินอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมกินอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมใส่เสื้อผ้าอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมนอนอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมตื่นอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมฟังธรรมอย่างไรเรียกปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าตอนนั้นการปฏิบัติมันเดินไปอยู่อ้าวยอมนั่งฟังธรรมะอยู่อย่างเนี้ยแล้วตอนนี้มันเกิดง่วง หลายหลายคนง่วงแล้วอตอนนี้เกิดซึมหงอยเหงาเขาเรียกดโหน้นะทีนะเนี่ยก็เลยขดโหน่นดหดโหมิถะทีนะไม่ได้ดหดโหด้วยท้อแท้ด้วยอาการงก ง, ง่วงเกิดขึ้นซึมหงอยเหงาด้วยถามว่าตอนนั้นการปฏิบัติกำลังดำเนินไปอยู่ไหม ตอนนั้นศีลเกิดไหมสมาธิเกิดไห ม, ม, ไหมปัญญาเกิดไหมอ้าวเราสมาทานไปหรือยังเมื่อกี้เราสมาทานไปหรือยังเอาศีลกี่ข้อเมื่อกี้เอาใครรักษาศีลแปดข้อลองยกมือที่ใครห้าใครห้าข้อ โอ้รักษาศีลแปดหมดเลยเนาะเอ่อเมื่อกี้เราขอศีลไปไื อ, อยังขอหรื อ, อยังพระให้ได้ออยังจริงๆพระให้ศีลได้ไหมได้หรือไม่ได้เอาใครว่าพระให้ศีลได้เอายกมือทีเอาโมไม่ได้แล้วมาขอทำไม ขอทาไมพราให้ศีลได้ไหมให้ช่วยกันคิดหน่อยที่มีต้องร้อยกว่าความคิดเนี่ยได้ไหมขอศีลได้ไ้มเมื่อสักครู่เนี่ยพระให้ศีลหรือพระบอกสิกขาบทเออ่ะต้องพูดให้ถูกไม่ใช่พระให้ศีล ไม่ใช่เวลาพระบอกว่าปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทังสมาธิยามีในศีลมันกระโดดออกอีกตุภพะแล้ววิ่งไปเข้าสิงในตัวยมไม่ใช่อย่างนั้นนะยอมคิดอย่างนั้นมหมยอมคิดว่าศีลมันเป็นตัวไหมมันเป็นตัวประหลาดประหลัดวิ่งเข้าไปสิงในตัวยอมทุกคนเล ย, ยงี้หรือเปล่าเวลาพระพูดเนี่ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะยอมนะพระบอกสิกขาบท ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังเห็นไหมคว่าสิกขาปัทภังมาจากคาว่าสิกขาปะทะแปลว่าสิกขาบทเขาแปลว่าอะไรแปลว่าข้อฝึกแปลว่าบทฝึกแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าโยมมาขอศีลพระก็พูดในใจว่าศีลมันให้กันไม่ได้หรอกโยมเอาละไม่โยมปรารถนาอยากจะได้ศีล เดี๋ยวอาตมาจะบอกข้อฝึกฝนพัฒนาให้ก็เลยบอกทีละข้อเอาเอาข้อการงดเว้นจากการฆ่าเอาไปฝึกให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวไปฝึกเองนะแล้วฝึกทําให้มีทําให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าใช่ไหมงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ มีใจที่กรุณาเอื้อเอ็นดูอยู่ว่างั้นเถอะวางสัตว์ตราวุธและไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายยอมก็ต้องเอาไปฝึกเองตอนนี้เอาวิธีฝึกทํำยังไงอ่ะฝึกค้อ ง, งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยฝึกยังไงยอมต้องไปตั้งใจที่จะทําให้เกิดหรือไม่ตั้งตั้งใจต้องตั้งใจไหมไอ้ตั้งใจตัวนั้นเขาเรียกเจตจํานงหรือเจตนาความจงใจความตั้งใจที่คิดจะงดเว้นจากการฆ่า งดเว้นจากการเบียดเบียนงดเว้นจากการจะไม่มประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายถามว่าเวลาเราจะฆ่าสัตว์เราใช้อะไรไปฆ่า อ, อ๋อใช้อวัยวะตรงไหนฆ่าใช้มือหรือใช้ปากมันมีแต่นี่แหละอวัยวะระหว่างมือเท้ากับปากเนี่ยใช้ตัวไหนใช้มือได้ไหมใช้เท้าได้ไหมใช้ปากได้ไหมได้เห็นไหมเนี่ย ถ้าใช้ปากก็คือสั่งให้คนไปฆ่าใช่ไหมเขียนก็ได้ก็แทนปากหรือใช้มือไปฆ่าเองใช้เท้าเดินไปเองใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปประทุษรลายไปเบียดเบียนเลยใช่ไหม น, นี่ก็เรียกใช้มือใช้เท้าใช้ปากตัวเองเนี่ยไปฆ่าแต่ก่อนที่มือเท้ามันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันใครเป็นคนบงการเจตจำนงหรือใจนี่แหละ ไอ้จตที่คิดจะฆ่านี่แหละฉะนั้นพอมีเจตจำนงงดเว้นจากการฆ่าแปลว่าอะไรไปทำลายแหละ ไ, ไปทำลายเจตนาชั่วร้ายเจตนาชั่วร้ายคือจิตที่คิดจะฆ่าพอจะเข้าใจไหมทีนี้พอไปตั้งเจตจำนงว่าเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้ว แค่นี้ใช่ไหมหรือต้องทําไหมต่อทายัางไงต่อต้องมีจิตที่เป็นไปกับในความกรุณาสัตว์ด้วยไหมมีความเมตตาสัตว์ด้วยหรือเปล่าต้องทาใจให้เป็นไปกับเมตตาด้วยนี่ไงเนี่ยมองไปที่นี่มานั่งปฏิบททัติธรรมด้วยกันเนี่ยเมตตาไหลออกบ้างหรือยางหรืออย่างน้อยที่สุดเอามองมาที่พระเนี่ยนึกเมตตาพระบ้างไหม นึกหัหยนึกเมตตาไหมเกิดความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนว่าขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีอายุยืนถามจริงเถอะพระมานั่งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเคยแผ่เมตตาให้พระบ้างั้มเคยไมเนี่ยเนี่ยตอนที่นั่งอยู่เนี่ยมีมั้มหรือไม่ไม่คิดเลย นี่หรือผู้ปฏิบัติทรรมนี่หน้าอยู่ใกลไหมเอาคนแบบเนี้ยทั้นใจต้องนึกยังไงใช่ไหมนึกนึกในใจนะหรือเจอหน้าก็พูดได้เลยบอกว่าท่านท่านปลอดภัยแล้วท่านปลอดภัยแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีล ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสารณะข้าพเจ้าสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกประเภทแล้วแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายสัตว์ด้วยฉนั้นขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านปลอดภัยขอให้กระแสะชีวิตอายุของท่านยืนยาวในการเจริญตามศีลสมาธิปัญญาเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์นะคิดแบบนี้บ้างไหมคิดไม่คิด เนี่ยเมตตาเป็นอย่างงี้ไหมศีลมันเกิดแบบนี้นะอา้าวลองยอมที่นั่งกันอยู่นลองมองมาทิพระอก่อนที่จะไปฝึกเจริญอาณาปนากันเนี่ยเอาศีลให้รอดก่อนนะอา้าวมองมาทิพระลองให้ศีลข้อแรกเกิดดูที่อา้าวนึกในใจอย่างนี้นะยอมนึกในใจก่อนก็ได้เดี๋ยวพระนําล่องให้ท่านปลอดภัยแล้ว เพราะข้าพเจ้าสมาทานต่อหน้าพระตนะไตรยว่าจะงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าจะมีใจที่เป็นไปกับกรุณาสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าไม่เว้นใครเลยฉะนั้นเอาท่านเป็นประธานคำว่าเป็นประธานก็คือว่าข้าพเจ้าจะให้ความปลอดภัยในชีวิตของท่าน ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนขอให้ท่านเป็นผู้มีผู้มีความสุขและก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายในสากลและจักราวาลด้วยจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนด้วยเมื่อกี้ได้คิดตามไยอมคิดไหมอ้าวยกมือที่คิดไม่คิดอ๋อคิดแค่นี้ไอ้ที่ไม่ยกเป็นไงเนี่ยนี่นีศีลข้อแรกมันเกิดแบบนี้นะโยมนะ การทําศีลให้เกิดขึ้นทีนี้ให้สังเกตุเดียคิดใหม่ๆเนี่ยใจมันเฉยๆยอมไม่ดีใจหรือที่ยมไม่ยอมให้ความปลอดภัยในชีวิตของสง์เนี่ยยอมไม่ปลอดภัยเลยของพระสงฆ์เนี่ยดีใจไหมชื่นใจไหมที่ให้พระสงฆ์ปลอดภัยชื่นใจไหมที่ให้พระสงฆ์เป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเน่ะชื่นใจไ้มล่ะ โอ้หเราเนี่ยได้เจริญศีลมันเกิดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สมาทานไม่ใช่แค่รูปแบบเราสามารถทำกุศลศีลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วและเราจะพัฒนาความคิดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อให้ต่อเนื่องไม่ใช่แค่ศีลข้อแรกนี้เท่านั้นแม้ข้อทุกข้อที่เรามาสมาทานทั้งแปดข้อเราก็จะฝึกให้มีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะทำใจให้เกิดความเบิกบานล่าเลิงผ่องใสทำคิดอย่างนี้จิตเบิกบานไหมเบิกบานไม่เบิกบานอาถ้าจิตเบิกบานแล้วเนี่ยมันพัฒนาไปสู่ปีติได้ไหมแต่เนี่ยความอิ่มเ อ, อิบใจเลยเนี่ยรู้สึกขนลุกชูชันเลยโอ้โหเราได้เข้าใจสภาพของกุศลศีลแล้วเป็นไหม มีปฏิบัติกันยังไม่ได้นะเนี่ยศีลเนี่ยยอมยอมคิดว่าศีลมันเกิดยังไงอ่ะลองมานั่งถกให้ฟังนี้พอสมาทานปุบน๊บนี่ศีลมันเกิดเองหรือต้องฝึกให้เกิดมันไม่เกิดเองหรอกมันไม่มีที่ไหนหเกิดเองได้ต้องตั้งใจจงใจมีเจตจำนงมีความจงใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ทีนี้ถ้ากุศลศีลมันไม่เดินอย่างนี้ที่ไปพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีเมตตาเป็นต้นแล้วสมาธิที่เราจะฝึกกันขั้นต่อไปเนี่ยหนักกว่านี้ไหม ย, ยากกว่านี้ไหมเอาละสิแต่เนี้ยงานนี้เราจะเห็นอะไรกันเยอะเลยจะเห็นคนนั่งหลับเยอะ <laughs> <laughs> นี่เป็นอย่างนี้นะ ฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยมันต้องตั้งใจที่จะให้มีให้เกิดขึ้นนะให้เกิดขึ้นมีเจตจำนงมีความจงใจมีความตั้งใจให้เกิดขึ้นได้อย่างข้อแรกได้อย่างเอาข้อที่สองเวลา จ, จะเจริญศีลี่มันเกิดขึ้นทำยังไงข้าพเจ้าศีลข้อสองนี่เป็ ทิศก็สองนี่ท่องลองท่องไอ้บางที่อ่ะท่องว่าไงอาทินนาว่าไงนะอาทินาทานาเวรมณีถามว่าผ้าอาหารทั้งหลายท่านละอาทินาทานไหมละหรือไม่ละงดเว้นจากอาทินนาทานถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้นะผ้าอาหารเนี่ย หวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนให้เปมีตนไม่เป็นขมโมยสะอาดอยู่ตลอดชีวิตนะพระหันเป็นแบบนี้เอาข้าพเจ้าขอสมาทานสมาทานอะไรคือการงดเว้นจากอธินาทานถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้หวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนเป็นไม่เป็นขมโมยนะสะอาดอยู่เราจะสมาทานตลอดชีวิตไหมข้อนี้หรือเฉพาะเจดวัน ตลอดชีวิตไหมเออสมาทานตลอดชีวิตพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รักทรัพย์ใครเลยท่านจะเอาแต่ของที่เขาให้เท่านั้นเองไม่ทําตนเป็นคนขโมยของใครเลยเอาละเราก็จะสมาทานเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงค์นี่แหละทําตนเองเป็นผู้สะอาดทรัพย์สมบัติของใครจงเป็นของคนนั้นทรัพย์ของเนี่ยมองดีเนี่ย ถามทุกคนมีทราบหมดไหมนี่นั่งมาเนี้ยมีไม่มีมีก็มีเงินมีทองมีเสื้อผ้ามีข้าวของโอ้โหเนี่ยอารมณ์หรือเหตุปัจจัยที่จะทําให้ศีลข้อนี้เกิดเยอะหรือไม่เยอะเยอะไหมโอ้โหเราแสนจะชื่นใจหมนมองไปที่ไหนได้หมดเลยเนี่ยทุกคนมีกระเป๋าวางอยู่มีสิ่งของวางอยู่เต็มไปหมดทําไมไม่ฝึกให้มันเกิดศีลข้อนี้เกิดง่ายจะตาย แต่ไม่ใช่เป็นมองเฉยๆมึนๆนแล้วศีลมันเกิดนะศีลเนี่ยมันจะไม่มากับโมหะมันจะไม่มากับความมึนๆงงๆศีนมันมาจากความตั้งใจไหมเอ้ายอมมองไปแต่ละบุคคลเนี่ยยอมโอ้เนี่ยท่านปลอดภัยแล้วทรัพย์สมบัติของท่านจงเป็นของท่าน ท่านจงใช้ทรัพย์ในการให้มีความสุขทรัพย์ทําความดีจเจริญกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปเถอะข้าพเจ้าจักไม่น้อมเอาทรัพย์ของท่านมาเป็นของตนด้วยการแห่งขโมยและก็ขอไม่ใช่ทรัพย์ของท่านเท่านั้นแม้แต่ทรัพย์ของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลเนี่ยข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปข้าพเจ้าเป็นผู้สะอาดแล้วมีตนเป็นผู้ไม่ขโมยแล้ว ไม่ถือเอาสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองด้วยการเห็นขโมยแล้วถ้าจะน้อมเอาก็เอาแต่ของที่เขาให้ทําตนเองเป็นผู้สะอาดอยู่ว่างั้นเถอะไม่ป้นไม่จี้ไม่ช่อลาดบังหลวงไม่คอร์รัปชันไม่ทุกรูปแบบข้าพเจ้าไม่ทําแล้วข้าพเจ้าเป็นคนสะอาดแล้วกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแม้จิตที่คิดจะเอาก็ไม่มีฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มากได้ทรัพย์เจริญด้วยทรัพย์ จงมีความสุขกับการใช้ทรัพย์ทำความดีอยู่กับบุตรหลานญาติมิตรของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เป็นศีลไหมเป็นไม่เป็นศีลมันเกิดเป็นแบบนี้แหละยากไหมเนี่ยคือวิธีการพัฒนาที่จะทำให้ใจเป็นปราโมทนะถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ย ความเบิกบานความล่าเริงความผ่องใสภาวะที่จิตอาหารมันเกิดขึ้นนี่สภาพของกุศลมันเกิดขึ้นแบบนี้เอาใครฝึกไม่เป็นแบบเนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทํากุศลให้เกิดขึ้นทํากุศลให้เกิดขึ้นถ้าไม่ฝึกอย่างนี้เนี่ยอกุศลมันเกิด้ยกตัวอย่างเช่น พอเห็นทราบของคนอื่นแล้วก็ใจมันอยากได้อะแม่เราแย่มากเกิดมาเรามีทรัพย์น้อยมันน่าจะเป็นของเรานะใช่ไหมผิดกฎหมายมะคิดแบบนี้ผิดกฎหมายมะผิดไม่ผิดมันไม่ผิดกฎหมาย เห็นไหมว่าแต่ถ้าใจเราเนี่ยใจเราน้อมไปเอาท ร, รัพย์สมบัติมาเป็นของเราหรือยังใจเราขโมยหรือยังขโมยแล้วนะในที่เราคิดแบบนี้แล้วน้อมเนี่เอามา เ, อาเป็นของเราเป็นอภิชาเป็นทุจริตด้วยเนะนะ่ครอบกรรมบดด้วยก็คือว่าตรงนี้ต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นเคยเคยรักษาศีลแบบนี้ไหม เคยั้มไม่เคยเลยเอาใครเคยฝึกศีลให้เกิดขึ้นโดยการกระทำให้มันเกิดขึ้นจริงจงจังๆแบบติดต่อหรือสมาทานแล้วก็จบแล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเราอยู่ประเภทไหนประเภทหลังใช่ไหมอย่างเงี้ยศีลไม่เกิดจริงอย่าแปลกใจว่าทําไมเราไปฝึกสมาธิมันไม่ขึ้นนะอย่าแปลกใจนะ ไปฝึกปัญญามันก็ไม่เดินมันได้แค่ชุอพักช็อคู่บางทีมาเนี่ยมาฝึกกั น, นอาจจะได้โอ้โหดูดีสักระยะหนึ่งพอหยุดไปแป๊บเดียวล่วงเป็นไอคนเดิมอีกแล้วกลับไปบ้านลูกหลานก็บน่นตั้งแต่แม่เข้าวัดมาในี่ขี้บ่นหน้าดูจุกจิกจูก้จี้อะไรเงี้ยยอมมีปัญหานี้บ้างไหม มีไหมว่าโอ้พอกลับไปเนี่ยลูกรู้สึกพอปฏิบัติมาปฏิบัติทรมาที่บ้านแล้วรู้สึกกลับไปที่บ้านมันแปลกแยกกับทางบ้านเลยเป็นไหมเหมือนลูกกับเราเนี่คนเรามันเข้ากันไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้แปลว่าผิดปกตินะเนี่ยลูกผิดปกติหรือเราผิดปกติเราผิดปกติวิธีแก้ทาไงวิธีแก้ทาไงเออ คือบางทีเราไม่เราลืมเรื่องจารีตไปศีลเนี่ยนะทางด้านที่เราจะฝึกเนี่ยฝึกในด้านของศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกทั้งหมดในกิจกรรมของชีวิตทั้งหมดเนี่ยเช่นว่าในฐานะที่เราเป็นแม่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเออเรา เราไปเกี่ยวพันกับลูกเนี่ยหรือเราเป็นลูกไปเกี่ยวพันกับพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเป็นศีลไหมการเลี้ยงพ่อแม่เป็นศีลหรือเปล่าเป็นไม่เป็นถ้าไม่เลี้ยงพ่อแม่ผิดศีลไหมผิดไม่ผิดอ้าถามยยมหน่อยว่าถ้าเลี้ยงไม่เลี้ยงพ่อแม่เป็นลูกแล้วไม่ดูแลพ่อแม่ไม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้ถูกเ น, นี่ยผิดศีลไห เราผิดศีลเขาเรียกเาเรียกวินัยของผู้คองเรือนใช่วินัยของผู้คองเรือนเราไม่ทำแบบอย่างของอริยชนเราไม่ฝึกให้เป็นศีลนี่มันไม่ไม่ไมไมเขาเรียกว่าฝึกไม่มีศีลท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่าน ดำลองวงตะกูลทําตอนให้เหมาะสมเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นจารีตนะจารีตศีลจารีตศีลมีสองอย่างนี่จารีตกับวารีตจารีตแต่เหมือนเป็นประเพณีของอริยชนทั้งหลายที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ปฏิบัติต่อลูกให้ถูกผิดศีลไหม เิดสยีก็คือไม่มีศีลไงไม่ทำตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นทีนี้การปฏิบัติในกุศลศีลเนี่ยไม่ใช่แค่รูปแบบวันนี้เดี๋ยวต้องบอกวิธีการตรงนี้นิดนึงนะให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดความอ่อนโยนกับเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปเวลาไปฝึกสมาธิเนี่ยมันจะได้อ่อนโยนแล้วจะได้ฝึกได้ง่าย ตรงนี้ต้องต้องขจัดไอ้ปอมตัวนี้ออกให้หมดก่อนถ้าอย่างนั้นจะมีปัญหาใจมันจะไม่เกิดปราโมดนั้นธรรมะสมาธิมีอยู่ห้าหนึ่งปลาโมดสองปีติ 3, สมปัจสธิสี่สุขห้าสมาธิเนี่ยที่เราจะฝึกให้เกิดขึ้นเนี่ยคลาดธรรมะสมาธิการที่จะมาฝึกสมาธิหาประการนี้ได้เนี่ยปลาโมดต้องเกิดอันดับแรกเนี่ยต้องมีความล่าเลิงเบิกบานใจ ทีนี้ความร่าเริงเบิกป า, านใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรจากการได้กระทำสิ่งที่เป็นศีลเช่นประพฤติใจศีลเช่นการดูแลพ่อแม่เช่นท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบไอการเลี้ยงท่านตอบเนี่ยเลี้ยงแบบไหนเช่นการดูแลท่านหาข้าวให้ท่านอาบน้ำดูแลท่านนวดฟันท่านหายายท่านหาเสื้อผ้ายท่านทากิจอะไรก็แล้วแต่นะ การทำในลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นศีลทีนี้มันจะเป็นศีลหรือไม่ดูตรงไหนดูพฤติกรรมที่ไปทะกายกรรมที่ไปทาวจีกรรมที่ไปทำเนี่ยมันไปกับมันเป็นไปกับกุศลไหมเอาเอานึกง่ายๆอย่างนี้นะอุปมาง่ายายอมเคยขับรถไหมยอมนั่งรถเนะี่ยเวลาขับรถเนี่ยเวลาเราขับรถถูกกฎจราจรเนี่ย ตอนนั้นเน่ยแล้วเราเห็นคนที่ขับผิดจราจรตอนนั้นยอมโกรธไหมอ่ะเราขับรถไปก็แล้วแต่ถ้ารถมันติดทั้งทั้งที่เราขับถูกกฎจราจรตอนนั้นโกรธไหมงดหงิดไหมทั้งทั้งที่เราทําถูกเนี่ยทํำไมงดหงิดเพราะเราวางใจไม่ถูกเหมือนเราเราทําดีแต่พ่อแม่เช่นแม่เมื่อยเราไปนวดให้ท่าน นวดใหญ่เลยมือก็นวดปากก็บนใจก็ลำคาญถามว่าตอนนั้นเป็นศีลไหมก็เราทาเนี่ยเราดูแลท่านเนี่ยเป็นไหมเอา้าไปทําอาหารให้กับสามีเข้าครัวใหญ่ลงเง็งลงเลงลงเ็ ง, งใหญ่เลยตอนนั้นนะ่ะทําใหญ่เลยตอนนั้นน่ะทําไปมันโกรธน่ะนอนกันหมดเลยมี ฉันอยู่คนเดียวลุกขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนั้นไม่ยอมลุกขึ้นมาช่วยกันเลยเนี่ยฉันต้องมานั่งทำอะไรแล้วต้องมาเป็นขี้ข่าใครอยู่เนี่ยทำทำเงี้ยตอนนั้นกโกรธด้วยถามว่าตอนนั้นเป็นศีลไหมจัดการงานดีไหมตอนนั้นเนี่ยไม่เรี่ยกว่าจัดการงานดีเนี่ยตอนนั้นเน่ยถ้าทำแล้วโอ้เนี่ยเราจะได้ทําอาหารเราจะทำให้ คนในบ้านก็มีความสุขเขาจะได้มีอายุยืนขเขาจะได้มีความสุขเข <jal> าจะได้มีกําลังเขาจะได้มีผิวพรรณงามแล้วเขาจะได้มีสติปัญญาจากาการกินอาหารนี้โอ้ชื่อว่าเราให้อายุเขานะเนี่ยโอ้เราให้ความสุขนะเนะี่ยนี่เราให้วนหนันนะผิวพรรณเขานะเราให้กําลังเขาเนะ่เราให้สติปัญญาเขา เขาจะได้ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บคุณภาพชีวิตของเขาจะดีเมื่อคุณภาพชีวิตดีเขาจะไปศึกษาเล่าเรียนมีสติปัญญาเขาจะทําประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมสิ่งแวดลอ้อมโอ้โหทําไประเบิกบานคิดอย่างงี้ไ ห, ไหมคิดไม่คิดถ้าคิดอย่างนี้เขาเรียกการปฏิบัติธรรมมันเดินเขาใจ้ยังการปฏิบัติธรรมก็คือศีลมันเดินสมาธิมันเกิดและปัญญามันเกิดในชีวิตจริงตัวนี้ พอมองเห็นนีงอย่างเนี่ยทุกเรื่องอันนี้พูดตัวอย่างนิดนึงให้ดูนะจะได้ไขปมความรู้สึกว่าทำไมการเจริญอาณาปานสติสมาธิเรามันจึงไม่รอดเพราะพื้นฐานมันพื้นมันสดุดเจดี ย, ยอมเจดีย์เวลาเขาจะสร้างเจดีย์เขาสร้างยอดก่อนหรือตรงกลางก่อนหรือฐาน ฐานฐานตัวนี้ก็เหมือนกันศีลศีลเป็นฐานศีลทุกข้อเนะี่ยเป็นฐานหมดเลยทีนี้ขานจะเป็นฐานหรือไม่มันต้องรักษาศีลหรือจเจริญกุศลศีลด้วยปลาโมดด้วยใจที่ลาเริงเบิกบานผ่องใสเพราะมันเป็นเรื่องดีงามเนี่ยประพฤติศีลอย่างมาอยู่ด้วยการอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเราเนี่ย ทางชมลมเนี่ยเออมาขอไปทางยุวะพุติกาเนี่ยต้องมีผ้าใช่ไหมต้องผ้าต้องแต่งกายเรียบร้อยเนี่ยถามว่าอย่างนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกวินัยเป็นระเบียบจัดอยู่ในไหนจัดอยู่ในศีลสมาธิหรือปัญญาจัดอยู่ข้อไหนเออทาแบบเนี้ยสวยงามไหมแต่ถ้าทําแล้วอึดอัดเป็นศีลไหม เป็นไม่เป็นอตอบดังๆหน่อยที่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแต่ถ้าทำแล้วชื่นใจเบิกบานใจโอ้ทำให้เราได้ความเรียบร้อยงดงามและเป็นระเบียบไม่ได้เป็นข้อกดดันเราเลยแต่กลับกลายเป็นตัวเปิดโอกาสทำให้เราฝึก ศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาได้ดีขึ้นโอ้มาอย่างนี้เป็นระเบียบดีเหลือเกินเรียบร้อยมากเอาละเราจะเอาระเบียบหลักการวินยัยพิธีกรรมเหล่าเนี้ยเป็นตัวเปิดโอกาสทำให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองให้เต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถถ้ามองนี้เป็นไหมเป็นศีลไหมแต่หลายคนอะไรต้องมาจากัดอึดอัดเหลือเกิน ทำไมต้องเอาผ้ามาพาดอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้ถ้าคิดอย่างนี้เป็นศีลไหมยอย่างนี้แย่แล้วเห็นไหมว่าวินัยเนี่ยมันข้อตกลงกฎวินัยเป็นกฎสมมุติที่สมมุติร่วมกันข้อมติข้อตกลงร่วมกันแต่ข้อตกลงร่วมกันนั้นต้องเป็นตัวเปิดโอกาส ไม่ใช่เป็นตัวปิดโอกาสในการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นตัวเปิดโอกาสที่จะทำให้เราฝึกในศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปถ้าอย่างนี้ดีมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวจะไล่ลาดับแล้วจะได้ต่อไปจะได้ฝึกนะจริงๆอยากจะให้พวกเราได้รู้ระเบียบหลักการพวกนี้ทั้งหมดว่าจะเอาไปเจริญกันยังไงเพราะเป็นเรื่องแต่ในภายในเจ็ดหกวันเนี่ย ให้เราตรวจสอบนะให้ตรวจสอบใช้ตัวกาลังของสมาธิกําลังของสติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันระลึกระลึกว่าเออตรวจสอบในศีลของตนเองแต่ละข้อเนี่ยว่าสามารถมันเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าเกิดขึ้นไมาจริงก็ตั้งเจตนาเจตจำนงทั้งหลายมันมีให้มันเกิดขึ้นเอาข้อที่สามท่องว่าไง ต้องท่องที่อพรรมจริยาท่องที่เวลมณีสิกขาแปลว่างไงแปลว่างไงอพรรมจริยานี่แปลว่างไงพระอรหันเนี่ยพระอหันทั้งหลายท่านประพฤติพรหมจรรย์ไหม พรหมจริยะเนี่ยก็แปลว่าเป็นข้อประพฤติอันประเสริฐแปลว่าชีวิตอันประเสริฐก็ได้การคลองชีวิตอันประเสริฐทีนี้การครองชีวิตอันประเสริฐเนี่ยเป็นชีวิตที่สะอาดกายก็สะอาดเห็นไวาจาก็สะอาดแล้วก็รวมไปถึงจิตใจด้วยเขาเรียกพรหมจริยาพรหมจรรย์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์อะพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติอย่างชาวบ้าน เช่นการมีคู่การมีสามีภรรยาการเกี่ยวข้องกันเนี่ยอันนี้ก็เรื่องการประพฤติที่ไม่ประเสริฐเพราะยังมีการเกลือกกล้วกลัวกันด้วยกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะในการเกลือกกลัวกันแต่พวกเราเนี่ยละเว้นได้บางคนมีครอบครัวแล้วแต่มาอยู่อย่างเงี้ยก็มาสมาทานเจวันอยู่ไหม 6วันเจ็วันนี่แหละเราสมาทานกันอันนี้ถือว่าเรามาใช้ชีวิตแบบประพฤติพรหมจรรย์เป็นการประพฤติแบบประเสริฐพระอรหันต์ทั้งหลายท่านประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตไหมโอ้โหตลอดชีวิตมากชีวิตของท่านสะอาดมากไม่มีราคีไม่มีทุรีคือกิเลสทั้งหลายไปเจือปนทำให้กระแสชีวิตท่านต้องเปื้อ น, นเลย ทีนี้เราก็จะเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละพุะเจ้าเราก็เลยมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นการถือการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยข้าบอกว่าถ้าอาพรรเนี่ยท่านห้ามขาดใช่ตัดสวาดชายหญิงเป็นมิ่งขวัญรักษาศีลทรงพศพรหมจรรย์ อย่าเหหันหากามตามใจตนอาการของคนคู่จงรู้เขาเนี่ยหากทำเข้าศีลขาดพินาศปนมีโทษหนักนักหนาอย่า ก, กังวลทั้งผัวตนเมียตัวอยญ่ยนวนเนี่ยก็หมายความว่ า, วาแม้คู่ของตนเองท่านก็ห้ามใช่ไหมท่านไม่ให้ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะเราถือศีลเนี่ย ในข้อนี้แปลว่าเราตั้งใจที่เราจะเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพุทธเจ้าต้องการให้เป็นผู้สะอาดทางกายก็สะอาดทางวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจด้วยใจจะไม่ไปหมกมุ่นในเรื่องของกามกิเลสกามวัถฏกรรมทั้งหลายด้วยเออในลักษณะนี้ยทีนี้ลองสังเกตดูถ้าเราจะมาทานศีลข้อนี้มันละอะไรอ่ะ คนที่ละคู่ครองไม่ได้แปลว่าเ็ามีตันหาประเภทไหนมีกำลังมันจะมีพวกรูปประตันหายินดีพอใจในรูปสัทธาตันหายินดีพอใจในเสียงคันธตันหายินดีพอใจในกลิ่นระสะตันหายินดีพอใจในรส โหดทพัตัญหายินดีพอใจในการสัมผัสแล้วก็ธรรมะตัญหายินดีความพอใจในความเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้หรือเรื่องราวทั้งหลายสิ่งแวดล้อมเป็นต้นถามว่าการเกี่ยวข้องกันระหว่างหญิงกับชายเนี่ยคนที่มีความปรารถนากันตรงเนี้ยความต้องการตรงไหนเด่นที่สุด เออโพธิภพคือต้องการสัมผัสต้องการสัมผัสเห็นไหมตัณหาตัวนี้มีกําลังแต่มันไม่ใช่แค่สัมผัสอย่างเดียวต้องการเห็นด้วยไหมอยากจะเห็นเขาตลอดอยากจะฟังเสียงเขาที่พูดเพาะๆกับเราใช่ไหมไอ้ตัณหาตัวเนี้ยกลิน่นจริงๆมนุษย์เนี่ยกลิ่นของมนุษย์เนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมหรือเหม็นจริงๆแล้วโดวยหลักโดยความเป็นจริงอะ แต่ทําไมมนุษย์จึงชอบดมเงินเพราะอะไรอ่ะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะวิปริตทางด้านความคิดมันมาจากอะไรมันมาจากสัญญาวิปริตนั้นสัญญาที่วิปริตเนี่ยรูปที่มันไม่ดีหรอกก็มันวิปริตก็เลยไปมองว่าดีเสียงที่ไม่เพราะก็ไปเข้าใจว่าเพราะกลิ่นที่เหม็นก็สําคัญว่าหอม รสที่ไม่อร่อยก็สําคัญว่าอร่อยไอ้สัมผัสเนี่ยมันจะมันไม่ไปต่างอะไรกันไอ้สัมผัสเนี่ยถามว่าเราจับมือเราเนี่ยก็ไปจับมือคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมมันก็ไอ้มือเหมือนกันนี่แหละใช่ไหมแท้ที่จริงมันคือดินน้ําไบลมแต่เมื่อความเวิ ป, ปริตของสัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็เลย เกิดโลพธาตัณหายินดีในผลพธะเอาละแต่เนี้ยเรามาสมาทานศีลข้อนี้เราเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษของการสัมผัสในสิ่งที่จะเป็นปัจจัยเกิดกิเลสราคะเกิดตัณหาเราเห็นคุณของการที่จะมาฝึกฝนพัฒนาสมาทานพัวพืชพรหมจรรย์ เห็นคุณตรงนี้นี่ต้องการจะฝึกตนเองอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่สีลห้านะที่เรามาฝึกเนี่ยอันนี้เป็นการละอะไรอละตัณหาละความทยานอยากละละความต้องการสัมผัสแล้วก็มาสมาทานเพื่อจะเดินตามรอยพระรุนธไตรยัยเริ่มเข้าใจอย่างแต่เนี้ยแปลว่าไอ จุดสำคัญที่สุดคือต้องละอะไรละตัณหาใช้อะไรละใช้ปัญญาคือมีปัญญารู้และเข้าใจจุดหมายของการรักษาศีลเนี่ยชัดและเราก็ให้มีความชื่นใจว่าโอ้เนี่ยเป็นบุญญาลาบเลเป็นบุญของเราเหลือเกินที่เราได้มาเห็นไหมเนี่ยมีเพื่อนทั้งหมดมาร่วมระพูดปฏิบัติใช่ไหมมันก็มีพลังมีกาลยานามิตรมีสิ่งแวดล้อม ว่าทุกคนก็มาฝึกในการที่จะไม่ยินดีพอใจในสัมผัสแล้วก็มาฝึกในการที่จะสมาทานพรหมจารย์การประพฤติอันประเสริฐนี้เห็นไหมว่าถึงแม้เราเป็นผู้บริโภคกามเขาเรียกกรมมโภคีบุคคลเนะพวกเราเนี่ยก็คนบริโภคกรรมอยู่คําว่าบริโภคก็คือยังเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบุตรกับภรรยากับสามีกับทรัพย์เกี่ยวข้องกับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้น แต่เราก็ยังอุตสาหะเพียรพยายามในการที่จะหลีกเล้นออกมาหลีกเล่นออกมามาประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็มาสมาทานแบบไม่ใช่มาแบบทุกข์ใจด้วยนะมาแบบสุขใจใช่ไหมทุกข์ใจไหมพวกเราทุกข์ใจไหมโอ้โหเราต้องมารักษาศีลข้อนี้ทําให้จิตใจเราไม่ดีเลยไงเป็นไหมแล้วมาอย่างนี้ทางบ้านเขาเกิดไปมีใหม่เป็นยังไงเนาะในคิดแบบนี้ไหม คิดไหมคิดถ้ากลับไปไปเจอเขามีใหม่จริงๆแล้วชัยโยดีใจเลยไหมเราจะดีใจไหมล้วจะโกรธว่าถึงท้าดได้ไหมถึงัหยโกรธไม่โกรธไม่โกรธนะเราจะนึกยังไงอ่ะพอกลับไปแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าสมมติเนี่ย เราจะโทษไหมว่าการทำดีไม่ได้ดีเราคิดอย่างนั้นไหมไงตรงนี้ต้องระวังนะเออบางทีเราไปเข้าใจว่าไอ้ตัวการทำดีเมื่อเราทำดีเป็นความดีไหมเป็นไม่เป็นเมื่อทำดีตอนนี้จิตกุศลและจิตมันเกิดขึ้นจิตที่ดีมันเกิดขึ้นไหมนั้นการทำดีในตอนนี้ตัว สภาพที่อโรคยะความไม่มีโรคก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคเนี่ยก็คือจิตไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่ายเป็นจิตที่แข็งแรงคล่องแคล่วสบายใช้งานได้ดีมเกิดขึ้นเรียกอโรมคยาตอนนี้ยจิตมันดีเกิดขึ้นเพราะเราม า, ารักษาศีลสภาพจิตที่โปร่งโรง่โรงเกลี้ยงเกลาจิตที่เบิกบานนี่แหละสองอนัวชาชะคือจิตที่ไม่มีโทษไม่มีโทษก็คือจิตมันไม่มีตําหนิ ไม่มีตำหนิแสดงถึงภาวะที่จิตที่สมบูรณ์เนี่ยไม่บกพร่องไม่เสียหายไม่มีของเสียไม่มีสิ่งมัวหมองเป็นจิตที่สะอาดเกลี้ยงกเกลาเกลี้ยงเกลาก็คือเอี่ยมอ่องพองแผ้วเนี่ยมันเป็นจิตที่สะอาดถ้าจิตมันมีโทษเนี่ยแปลว่ามันมีมันมีตำหนิแต่ตอนนี้มันไม่มีตำหนิแต่การรักษาศีลเนี่ยเขาขับเน้นให้จิตดีไม่ใช่ว่าแค่รักษาศีล เอออามาพูดบ่อยครั้งนะว่าคนติดคุกเขามีโอกาสได้ฆ่าสัตว์ไหมมีไหมฆ่าสัตว์หรือเปล่าในคุกนั่นอ้อาวเขาไปขังถูกขังเดี่ยวไว้เงี้ยเขาจะฆ่าสัตว์ได้ไหมเขาจะลักทรัพย์ไหมเขาถือพรหมจรรย์ไหมถือโดยเลย เขาไม่ได้พูดกับใครเนี่ยเขาจะพูดเขาก็งดลด้วยการพูดเท็จด้วยไม่ได้ดื่มน้ำเมาด้วยที่นอนก็ น, นอนกับกระดานไม่มีเงินทองด้วยถามว่าคนติดคุกนี่ใช่คนรักษาศีลไหมยนี้นกเขยเห็นนกนี่ก็ขังไว้ในกรงไหมเคยเห็นไหมนกก็ไดหรือ กระต่ายก็ได้ใช่ไหมที่เขาขังกรงเขาไว้อา้าวกระต่ายที่เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยเขาอยู่ในกรงนกอยู่ในกรงไม่ได้จิกมแมลงอะไรกินเลยนกตัวนั้นมีศีนไหมเอาแครว่ามีศีนยกมือขึ้นนี้มีไม่มีศีนข้อแรกมีไหมข้อสองมีไหมเขาไม่ได้รักทราบใครอ่ะ ข้อสามมีไหมเขาอยู่คนเดียวเลยถือว่าเขาเก่งกว่าเราไหมเขาไม่ได้พูดกับใครด้วยไม่ได้กินเหล้าด้วยไม่ได้มีเครื่องประดับด้วยอ้าไม่ได้มีเพลงฟังด้วยไม่มีที่นอนใหญ่และสูงด้วยไม่ได้จับเงินจับทองด้วยถามว่านกตัวนั้นมีสินแปดหรือเปล่ามีสิลเก้าสิสิบหรือเปล่ามีไม่มี อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างกันระหว่างเรากับนกเอาพวกเรามาอยู่ที่ตรงนี้ยอามาฟังบอกว่าเออห้ามไปเดินข้างนอกนะได้ยินเสียงประกาศแบบนี้แล้วก็ต้องมาอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ไหมกับนกที่อยู่ในกรงต่างกันไหมต่างตรงไหนต่างตรงไหนอ่ะ ต่างตรงที่นกเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการฆ่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการลักไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการรประพฤติผิดในกรรมไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการกล่าวเท็จไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการเอาของมึนเมาไปใส่กระแสชีวิตไม่ได้ตั้งใจในการ่ยงดเว้นจากการจากเที่ยงไปแล้วกินอาหารเป็นต้น เห็นไหมเขาขาดอะไรขาดเจดจานงหรือความจงใจตั้งใจนอกจากขาดเจเจานงขาดความจงใจและตั้งใจแล้วแล้วเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เอาตอนนี้เราจะรักษาศีลแบบนกไหมเอาแบบนกก็คือว่าเขาให้ท่องอะไรก็ท่องนกไม่ก็เป็นนะนกในเวลานั่นครบเนี่ย เขาบอกว่าเขาให้เขาให้ใ ห, ให้เรียกแม่จา๋าพ่อจา๋าเขาจะเรียกแม่จา๋าพ่อจา๋ากขาเรียกให้ท่องอะไรก็ท่องหมดแหละแต่เขารู้เรื่องไหมเขารู้บัญญัติไหมเอาแต่นี้อพวกเราอะพวกเร า, า, านี่ต่างจากนกไหม <_ c oughs> มั่นใจว่าต่างนะเดี๋ยวมาจะลองถามดูว่าต่างไม่ต่างเนะ้ มั่นใจไหมเอา้ามั่นใจว่าเนี่ยที่เรามากันเนี่ยเราตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าไหมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเข้าใจไ้มว่างดเว้นจากการฆ่าใจต้อ ง, ต, องต้องเป็นไปกับเมตตาเข้าใจไหมแล้วทำเมตตาความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนให้ยมันเกิดได้จริงไหมจริงไหมจริง จริงเลเดี๋ยวสรุปแล้วข้อแรกเราต่างจากนกแล้วนะสรุปแล้วพอเห็นนกพอจะยิ้มได้พอจะยิ้มได้ว่าเอ อ, อยังไงเราก็ดีกว่านกหน่อยใช่ไหมงดเว้นจากการรักใจเราก็น้อมที่จะสละและให้และเป็นพันทีนี้คู่ของใคร บุตรของใครภรรยาของใครสามีของใครก็จงเป็นของคนนั้นเถิดคิดแบบนี้มั้ยถามที่ผ่านมาคิดแบบนี้หรือไม่คิดบุตรของใครภรรยาของใครสามีของใครพ่อของใครแม่ของใครปู่ตายายายนาอาของใครจงเป็นของคนนั้น ข้าพเจ้าจะไม่คิดน้อมพลากเอาบุคคลเหล่านั้นมาเป็นของตนเลยขอให้เขาจงมีความสุขกับพี่กับพ่อกับน้องกับสามีกับภรรยาแล้วอยู่กันประพฤติปฏิบัติกันจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเถิดคิดหรือไม่คิดมุมแบบเนี้ยมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจคิดแบบนี้ไหม เอาใครคิดยกมือขึ้นคิดแบบนี้จริงเลยเอาแล้วใครไม่คิดเลยไม่เคยคิดแบบนี้เลยเอาแล้วสมาทานไปทำไมนี่มันจะเหมือนนกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เอามาจะคลายนกแล้วมั้งเนี่ยฉะนั้นจะมาทานศีลต้องให้เกิดจริงไหมต้องให้ตัวกุศลศีลเกิดหรือไม่เกิด ต้องให้จิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษและจิตที่เป็นไปกับปัญญาคือความฉลาดความรู้ความเข้าใจเขาเรียกโกศลสัมภูตะนี่สาคัญมากนะถ้าสมาทานศีลถ้าไม่เป็นไปกับความฉลาดความรู้ความเข้าใจแล้วนะ่ะมันไม่สามารถจะกระตุกศีลให้เกิดขึ้นได้จริงทีนี้พอศีลไม่เกิดเวลาจะไปดูลมหายใจเข้าออกมัน มันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันได้ไหมไม่ได้แต่นี้มันก็ตกเรื่อยเลยเวลาจเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐานเป็นแบบนี้หมดเลยนะเอามาเนี่ยอาตมาเนี่ยนะแนะนำผู้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันมากกว่านี้สถิติเท่าที่ทำมาทั้งหมดคนที่ไม่ได้ฝึกจากชั้นศีลขึ้นไปเนี่ย โดยส่วนใหญ่ร้อยละร้อยละเก้าสบเกตกหมดเลยกรรมฐานตกหมดเลยแต่มันจะมีคนพิเศษอยู่นะที่เหลือไว้หนึ่งเอร์เซ็นเนี่ยกลุ่มที่พิเศษคือปัญญาเขาจัดเขาไม่ต้องมามาทำระดับศีลเป็นพื้นฐานไปเลยนะเขาสามารถ ฝึกตัวเองไปนะแล้วเขาฉลาดพอแล้วสามารถกลับมารักษาศีลได้อย่างดีแต่ว่าไปฝึกคันสมาธิแล้วปัญญาไปแล้วกลับมาย้อนมาตรวจสอบแล้วก็พัฒนาศีลกลับขึ้นใบใหม่ได้แต่นอกนั้นในยุคปัจจุบันนี้เท่าที่อามาได้สัมผัสม า, มาเป็นพันๆหมื่นๆเนี่ยนะตกหมดเลยที่ไม่ได้ปูพื้นฐานไปจากการเข้าใจเรื่องศีลพัฒนาไปอย่างเงี้ยจากศีลเข้าสู่สมาธิเข้าพันสู่ปัญญาพอเข้าใจนะ เนี่ยดังนั้นมาเชื่อแล้วเกินที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ปูพรมทางด้านสีให้เกิดความเข้าใจมาฝึกให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพอไปสู่สมาธิมันจะได้ได้ได้ไดแค่ไม่กี่วันพอกลับไปก็แวบตกหายไปหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วอยากเป็นนักปฏิบัติแบบนี้ไหมประเภทที่รีบร้อนเหมือนคนทำเจดีแบบรีบร้อนเลยเขาบอกให ลงฐานดีๆนะปูเสาเข็มอัดเสาเข็มให้แน่นนะไม่สนใจแหละฉันต้องการทำเจดีใหญ่ก้าไปถึงปุ๊บไม่สนใจเลยก่อขึ้นไปเลย <c oughs> คิดว่าเจดีนี้พังไหมแล้วก็สุด <c oughs> พอจะเข้าใจยังเ <c oughs> นี่ยตึกเนี่ยตึกเนี่ยอาคารที่เรานั่งเนี่ยคิดว่าลงเสาเข็มลึกไหมเนี่ยลึกไหมลึกลึกอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ที่น้ําําอย่างเนี้ย นี่เหมือนกันอ้าวสนามดินุวนณภรมอะ่ะเวลาเครื่องบินโดยสารขนาดบรทุกคนตั้งห้าหกร้อยเนี่ยเวลาลานบินเนี่ยถ้าพื้นไม่แข็งแรงเป็นยังไงสุดไหมแล้วเนี่ยเราจะบรรลุธรรมอ่ะถามว่าสติปัฏฐานสมปัติฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระรพุทธชงรฤยมกโคดทิปักขิยธรรมเนี่ย พอทิปากยธรรมสิบ็ดประการเนี่ยนะที่จะทำมาให่งการแตสรู้เนี่ยต้องมีฐานระดับศีลดีด mm hmm. เขาใหญยังงั้นศีลต้องเกิดได้จริงต้องปึกให้เกิดได้จริงแล้วจะประสบความสำเร็จ mm hmm. เขาใหญ่ยังเนี่ยง <laughs> ั้นเอาละสมาทานพรหมจันทร์การคองชีวิตอันประเสริฐ ชื่นใจไหมว่าเราได้รู้เข้าใจข้อนี้แล้วชื่นใจหรือไม่ชื่นใจเราได้รู้และเข้าใจแล้วอ๋อเราได้มาประพฤติพรหมจรรย์ได้ครองชีวิตอันประเสริฐแล้วนาะเราได้ทําเหมือนพระลรหันที่ท่านเป็นพระละหันเนี่ยท่านไม่เกี่ยวข้องกับบุตรกับภรรยาในตลอดชีวิตท่านไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองตลอดชีวิตเลยเนะไม่ใช่เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือเจวันแปดวันนะ แต่ตอนนี้เรากําลังฝึกเราเป็นปุรุชนนี่แหละแต่เราจะมาฝึกเดินตามศีลที่พาาระลรหันท่านได้ฝึกเหมือนอย่างเี้ยโมเหมือนเราเข้าไปในป่านะเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยเราไปเห็นรอยรอยรอยเท้าช้างนะแล้วไปเห็นรอยรอยช้างที่เขาใช้เออใช้งวงของเขาใช้งาของเขาสี ต้นไม้นะเห็นแล้วพอเราไปเห็นรอยเท้าช้างเราไปเห็นงาที่เขาสีต้นไม้บ้างจามกิ่งต้นไม้ถ้าเราเป็นพานป่าเราเดินเดินเข้าไปในป่าเราไปเห็นนี่ยเราจะนึกในใจว่าช้างมีอยู่จริงไหมนึกแร้วไม่นึกเราต้องนึกโอ้เนี่ยช้างตัวนี้ใหญ่ นี่เราเห็นรอยเราเห็นที่เดินของเขาเราเห็นอที่นอนของเขาที่เดินของเขาที่เขาใช้งาแสตสีหรือกะ็กะโโกับต้นไม้อะเปลือกไม้ทะลุเลยเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะลุกชื่นใจโอ้โหยช้างตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ก็เหมือนกัน เ, เราไม่เคยเห็นล่องรอยของพระละหันเลย แต่ตอนนี้เรามาสมาทานศีลข้อนี้แล้วถ้าเราฝึกแล้วได้สัมผัสนะได้สัมผัสความสุขจากการที่เราได้งดเว้นจากการที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองเราได้ถือพรหมจรรย์เราละลึกถึงนะละลึกถึงการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลัก ละงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมและใจของเราเนาะไม่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสุขกับบุตรภรรยาญาติมิตรของตอนเองข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําตนเองท่านทั้งหลายปลอดภัยแล้วบุตรของท่านก็ปลอดภัยเมื่ออยู่กับข้าพเจ้าสามีของท่านภรรยายของท่านหรือปู่ตายายายของท่านเนี่ยมื่อเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าปลอดภัยเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลมีศรณะมีกิริยานธรรมแล้ว ยอมจะชื่นใจมันจะชื่นใจโอ้ความเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เองพระอรหันต์ท่านมีชีวิตอย่างนี้ท่านงดเว้นจากการฆ่าอย่างนี้งดเว้นจากการลักอย่างนี้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมเป็นอย่างนี้มันจะเห็นร่องรอยโย่จะเห็นร่องรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทําไว้เขา้าใจอย่างเนี่ยแคพูดงี้จะเข้าใจยากเนี่ย แต่ต้องได้สัมผัสจริงๆไอ้ศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลคือรูปแบบนะรูปแบบนั้นก็คือต้องมีไว้ก็จริงอยู่แต่ต้องสามารถเข้าถึงนะเข้าถึงจริงๆแล้วใจมันอ่อนโยนจริงๆจิตมันอ่อนโยนมันเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับกรุณาเป็นไปกับมุทิตาจริงๆนะเป็นไปกับปัญญาที่ชาญฉลาดรู้และเข้าใจอ้า งดเวชยาการกล่าวเท็จพระหันนี่พูดคำสั์คำจริงไหมการพูดเท็จเนี่ยทำให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์หรือเปล่าหากการประโยชน์คนอื่นหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่พูดเท็จเนี่ย พูดสอเสียดพูดเท็จก็คือพูดคำไม่จริงนะพูดสอเสียดก็คือพูดให้คนเขาแตกกันพูดคำหยาบก็คือพูดด้วยโทสะพูดด้วยจิตที่หยาบคายเป็นต้นแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเท็จปนจริงถามนะว่าพูดเท็จคือคำไม่จริง ถ้าพูดส่อเสียดมีเท็จอยู่ในนั้นไหมถ้าเราจะพูดส่อเสียดเนี่ยคนที่พูดส่อเสียดต้องมีคำเท็จไหมมีไม่มีต้องมีมันก็มีเท็จเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมถึงจะสามารถทำให้คนแตกจากกันได้เช่นเราจะไปทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันแตกจากกันเนี่ยมันจะต้องมีคำเท็จไหมมีไม่มีเวลาพูดหยาบเนี่ยเป็นคำเท็จหรือเปล่า เข า, าเป็นมนุษย์ไปบอกว่าเขาเป็นสุนัขเน่ะเท็จไหมเท็จหยาบยอมขอขอภัยยมเคยพูดคำหยาบไหมเคยด่าลูกไหมเ ค, เคยเคยเคยด่าเพื่อนไหมเพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นคนอีกอย่างหนึ่งเช่น เพื่อนก็เป็นมนุษย์แต่เราไปด่าเขาเป็นสัตวนะ์เดรัจฉานน่ะแะใช่พูดเท็จไหมขออภยัยไอ้ตุ๊กแกงี้ไปด่าก็ไม่คงไม่มีบ้างด่ากันแบบนี้เป็นคําเท็จไหมเป็นไม่เป็นโอทุกวันนี้สังเกตที่เขาด่ากันดิไปดา่าสัตว์บ้างขออภัยนะคำโอ้อะไรไม่รู้ออกมาเยอะแยะหมดใช่ไหม นั่นละคือคำหยาบ ก, ก็มีคำเท็จอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมพูดเพ้อเจอยอมเคยดูตลกมหมไอคนที่เขาแสดงตลกถามว่าเขาจะมีทั้งเท็จทั้งจริงปนกันอยู่ตลอดเวลาไหมเห็นไหมสรุปแล้วคืองดเว้นจากการพูดเท็จก็ต้องลันไปข้ออื่นด้วยเพราะคำเท็จนี่แหละเป็นประธานขยายยัง งดเว้นจากการพูดเท็ตนี่แหละถ้าอย่างนั้นศีลมันจะไม่เกิดจริงเพราะสัมมาวาจาเนี่ยการงดเว้นจากการพูดเท็จก็ข้อหนึ่งงดเว้นจากการพูดส่อเสียดด้วยงดเว้นจากการพูดคำหยาบด้วยงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอด้วยเพราะจะเข้าใจอย่างเวลาสมาทานศีลเนี่ยบางคนบอกโอ๊ยฉันงดเว้นแต่การพูดเท็านั้นแหละฉะนั้นฉันจะพูดส่อเสียดศีลฉันก็ไม่พังจริงๆงพังไหม ขาดไหมอาฉันพูดคำหยาบก็ได้พูดคำหยาบตอนนั้นศีลขาดไหมขาดไปนะพูดเผอเจอฉะนั้นเราสมาทานก็เลยสมาทานกี่ข้อกันเนี้ยเนี่ยสมาทานข้อเดียวแต่มันกระทบถึงกันได้ต้องเข้าใจนะบางคนก็พยายามมือไม่ได้ไม่ได้ โดยเฉาะว่าเรียนเยอะๆเนี่ยทาเป็นเหตุทําให้ลำบากใจกันที่ว่าจะเอาในข้อนี้งดเว้นจาการพูดเทจทั้งๆที่พูดส่อเสียดมันก็มีเทจนี่แหละอยู่ในนั้นเอายอมลองไปส่อเสียดดูที่ยอมจะต้องมีการเติมเรื่องใช่ม้เติมเรื่องถ้าไม่เติมเรื่องคนนั้นก็ไม่มาลักเราสิ แล้วเขาค่อยไม่แตกกันลองไปพูดตามจริงๆเนี่ยมันจะไปแตกกันไหมอมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยแตกนะแต่่ต้องมีการเสริมเติมเมื่อเสริมเติมขึ้นมาแล้วจะเป็นเหตุทําให้แตกกันนันทีสรุปก็คือว่ามูสาวาทาเวรมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิขะพระเจ้าขอพระรหารทั้งหลายท่านงดเว้นจากการการกล่าวเทศตลอดชีวิตไหม และเราล่ะเราจะสมาทานครั้งนี้เพื่อจะงดเว้นการกล่าวเทศกาสอเสียดคำหยาเพื่อเจอตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือเอาแค่เจ็ดวันสำคัญมากนะศี่ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับปากนะเนี่ยเรามีปากกันคนละปากแต่โอ้โหเรื่องปากเนี่ยน่ากลัวมากนะ ศีลข้อหนึ่งนี่ทางไหนทางกายเป็นส่วนใหญ่นะศีลข้อสองละ ก, ก็ทางกายเป็นส่วนใหญ่นะั่นแหละข้อสามนี่เรื่องปากอะไรแต่เนี้ยเข้ามาเอ๊ถ้าคนไม่พูดเลยเนี่ยจะรักษาศีลข้อข้อสี่ได้ดีไหมดีไมด่ดีเอาคนเป็นใบอ่ะ คนเป็นใบจะรักษาศีลข้อสีได้ดีไหมดีไม่ดีงั้นคนที่เขาเป็นโรคแล้วพูดไม่ได้แสดงว่าศีลข้อสีอส่เขาบริสุทธิ์เลยไหม <c oughs> มันอยู่ที่ตรงไหนอ่ะเอออยู่ที่ความจงใจความตั้งใจแล้วก็สามารถงดเว้นได้จริงวันนี้สองตัวนะหนึ่งตัวเจตจำนงตัวหนึ่ ง, งสองตัววิรัตคือความงดเว้นอย่างสองตัวนี้แหละ ตั้งมาจากความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อก็แปลว่าเราจะพูดคำสัตย์คำจริงนะหลายคนพอบอกว่าจะให้รักษาศีลข้อนี้เป็นปัญหาทั้งนั้นเราจะอยู่ในโลกใบนี้กับเขาไม่ได้ยอมว่าจริงไหมคำนี้ยคนรักษาศีลข้อที่สี่เนี่ย สามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างดีมีความสุขไหมนะอยู่ได้ดีแล้วมีความสุขด้วยแต่ต้องมีความชานฉลาดนะอา้าวแม่ไปป่วยที่โรงพยาบาลเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเออเราไปเยี่ยมแม่ไปดูแลแม่ หมอก็บอกว่าอย่าไปบอกคนไข้นะว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะรักษาศีลข้อสี่ยังไงเห็นไหมเนี่ยเห็นว่ารักษาง่ายก็เลยเลยยิงประเด็นถามดูไม่บอกแม่บอกบอกมาเธอลูก <c oughs> ใช่ไหมว่าเนี่ยแม่ป่วยเป็นโรคอะไรมันก็ต้องบอกว่าจะบอกอยังไงอ่ะบอกมาที่เนี่ยมันไม่หายมันแย่ดอย่างเงี้ยบอกแม่ไม่เป็นอะไรลอกเดี๋ยวก็หายพวดอย่างงี้ใช่ไหมอย่างนี้ถือโกหกไหมแม่ไม่ป่วยลอกแม่ไม่เป็นอะไรลอกเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยว่างั้นเป็นโรคคนแก่ ตรนนี้มายิงคำถามไปเพื่อให้รู้ว่าจริงๆคำว่าโกหกเนี่ยเขาเอาการตัดรอนนะตัดรอนประโยชน์ของของเขาถ้าไม่ได้ตัดรอนประโยชน์เนี่ยอันนี้ไปดูรายละเอียดทีทีนะอันนี้เดี๋ยวเวลามันจำกัดเอาข้อที่สี่ก็คื อ, อข้อที่ห้าก็คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและมีอะไรไหมก็คือว่าจะไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเพื่อเป็นเหตุให้กับเป็นเหตุให้คนอื่นต้องหวาดระแวงในเราเห็นหัหยว่าเราให้ความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะการที่ไม่เอาของมึนเมาใส่ในชีวิตเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเขาไม่หวาดระแวงด้วยไม่ทําลายสติสัมปชัญญะของเราด้วย โอ้โหชื่อว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินอะไรเยอะรายละเอยียดตรงนี้นะอันนั้นเป็นข้อที่ต้องเข้าใจส่วนข้อที่หกก็คืองดเว้นจากการกินอาหารในยามวิกาลอันนี้เป็นข้อฝึกที่จะทำให้เราไม่ตามใจตัณหานะปกติตัณหาคือความทะยานอยากเนี่ยเอาละเรามาอยู่ณสถานที่ตรงนี้เราจะฝึกตนเองให้เต็มที่ด้วยการที่ไม่ตามใจปาก ไม่ตามใจลิ้นเราจะเป็นอยู่ด้วยปัญญาเพียงอาหารสองมื้อเราจะทําชีวิตของเราให้เป็นไปได้และอยู่ได้และเราจะมีความสุขให้สังเกตดูคําว่ากุศลในข้อสุดท้ายก็คําว่าสุขขวิปากะก็คือเป็นความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยในขณะที่เราทําความดีในขณะที่เรารักษาศีลในขณะที่เราจเจริญกุศลเนี่ยความสุขต่งตางๆก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นต้น น, นะนะ แล้วก็การร้องลําการดูการละเล่นตลอดถึงการประดับประดาตกแต่งอันนี้เกี่ยวกับตัณหาหมดเลยนะเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ตามใจตัณหาที่เกี่ยวกับการประดับสีผิวไม่ตามใจตัณหาคือการฟังเสียงที่เพาะเพ้อไม่ตามใจตัณหาคือรูปที่สวยๆทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้การละเล่นทั้งหลายเหล่านี้ก็ตัดตัณหาตัวนี้ก็คือไม่ยอมเป็นทาตุเป็นอยู่ได้ปัญญาแล้วก็ บำลงบำเลอร่างกายแล้วก็นอนที่นอนที่ใหญ่และสูงเป็นต้นสรุปแล้วเอาเรามาสมาทานศิกขาบททั้งแปดประการอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยศีล <c oughs> เป็นปัจจัยแก่อวิปปิสารแปลว่าอะไรอวิปปิสารคืออะไรโยงความไม่เดือดร้อน <c oughs> อเวปฏิสารก็แปลความไม่เดือดร้อนใจอเวปฏิสารคือความไม่เดือดเนี่ยพอพิจารณาดูแล้วกายก็สะอาดวัวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดนะศีระณะเนี่ยเแปลว่าเป็นการตั้งไว้ด้วยดีจะทำให้กายกรรมวจีกรรมเนี่ยทั้งหลายตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยเป็นศีรณะไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจาย ไม่ซ่านไปในการไปฆ่าไปลกักไปประพฤติผิดในการเป็นต้นและศีลให้สังเกตดูนะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตัวกุศลศีลก็จะกําจัดความทุศีลกําจัดความไม่มีศีลให้หมดสิน้นไปเนี่ยเราจะมีอะไรเป็นฐานมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละเป็นฐานในการที่จะทําลายตัวเป็นตัวเกลื้อหนุนฉะนั้นความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเกิดปราโมท ให้สังเกตดูนะว่าปลาโม่จะเกิดง่ายสาหรับคนที่รักษาศีลพอพิจารณาดูแล้วโหวันนี้เราสะอาดหมดจดทั้งวันเลยเนี่ยนะทั้งกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดเรางดเว้นจากการฆ่าใจเป็นไปกับเมตตางดเว้นจากการลักใจที่เป็นไปกับการสละการให งดเว้นจากการประพฤติผิดในการปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อยู่ดีมีสุขกับคู่ครองของตนเองงดเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวแต่คำสัตว์คำจริงเป็นต้นงดเว้นจากการกล่าวส่อเสียดก็กล่าวแต่เขาให้สมัครสมานสามัคคีกันงดเว้นจ า, า, ากการพูดคำหยาพูดแต่ปีญ่าวาจาวาจาอ่อนหวานงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่คำที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นต้น ละงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยไม่ทำตนเองให้เป็นพี่หวาดแวงของบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็ฝึกตัวเองที่สูงไปกว่า น, นั้นอีกก็คือไม่ตามใจตัณหาเป็นอยู่ในปัญญางี้เป็นต้นนะนะในรายละเอียดพอจะเข้าใจยังแต่เนี้ยทีนี้พอปลาโมดเห็นไหว่าอาวิปฏิสารเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปลาโมดแล้วจะปลาโมดได้ไง่ายมา ล่าเลงเบิกบานอันนี้เป็นฐานพื้นเพจิตใจอันแรกที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นปราโมทก็จะเป็นปัจจัยกับปิติปิติคือความปราบรื้มความอิ่มใจยอมเคยให้ทานไหมเคยเกิดปิติไหมดีใจมากเลย ดีใจและปลาเพื่มมากที่เราได้ให้ได้สละไอปีติจะเป็นลักษณะแต่ปีตินี่เขามีพลังกว่าปลาโมดนะปีติเป็นปัจจัยเกิดปัดสสัตทีปัจสัตทีเนี่ยก็แปลว่าการผ่อนคลายไม่เครีย ด, ดจิตไม่กัดกลุ่มสภาพจิตที่ผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายนี่เขาเรียกว่าปัสสัตที ส่วนสุกเนี่ยมันเป็นความฉ่ำชื่นใจอันนี้เป็นฐานของสมาธิเอาและสมควรแก่วเวลาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้พวกเรามีใครจะถามอะไรไหมเรื่องศีลออามาอาจจะพูดคร่าวๆนะมีไหมอ้าไม่มีเดี๋ยวให้ฝึกสมาธิกันดูก่อนเนาะลองสักหน่อยดีไหม เดี๋ยวขอถามหน่อยใครเคยเจริญอานาบานาสติมาบ้างเนี่ยยกมือที่อ่ที่เคยเจริญมาแล้วใครเคยเจริญอานาบานสติมาบ้างใครไม่เคยเจริญเลยอ่โอ้โหใหม่เยอะเลยเนี่ยอี่ไม่ยกมือเอาขอดูหน่อยที่ใครเคยเจริญอานาบานาสติมาบ้างยกสูงสูงเลยก็ได้ โอ้จเจริญกันมาเยอะพอสมควรใครไม่เคยจเจริญเอาตอนนี้ถามต่อใครมีความเข้าใจในอาณาปานสติกรรมฐานมาแล้วยกมือทีเข้าใจใครไม่เข้าใจเอาก่อนที่จะจะฟังเรื่องอาาปานสตินะเดี๋ยวามาจะสลับอาจจะพูดเรื่องปูพื้นฐานไปด้วย แล้วก็พูดเรื่องการเจริญอาณาปานสติไปด้วยคนที่เจริญอาณาปานสติแล้วค่อนข้างจะเออเวลาทาไปแล้วบางทีไปเพ่งมากแล้วค่อนข้างที่จะเกิดภาวะความเครียด mm hmm. ก็จะต้องมาฝึกทาตรงนี้ให้จนรู้สึกมันคลา ย, เ, ยเพราะ การเจริญอาณาปณสติสมาธิเนี่ยเป็นเกี่ยวกันเรื่องการฝึกในการดูลมทีนี้อลไรเดี๋ยวจะพูดต่อให้เราทำความเข้าใจนะเรื่องสมาธิเมื่อสักครู่พูดเรื่องศีลพอเข้าๆแล้วศีลเป็นปัจจัยแก่ปลาโมดนะคือความเบิกบานความผ่องใสความล่าเลิง ปรามโมดเป็นปัจจัยแก่ปีติคือความอิ่มใจจิตพองขึ้นปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัสสถิปัจสถานะก็แปลว่าผ่อนคลายแปลว่าสงบอาการปัสสถานเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ได้กันยากมากโดยเฉพาะภาวะในทุกวันนี้แล้วเนี่ยโดยมากเรามักจะไม่ได้ความผ่อนคลายกัน ให้สังเกต ด, ดูนะไอ้ประสาททีโดยมากเราจะไม่ค่อยได้ไอ้ภาวะที่จิตผ่อนคลายเนี่ยมีใครได้ไหมได้ความผ่อนคลายไหมเข้าใจคําว่าผ่อนคลายไหมมีใครเข้าใจบ้างคําว่าผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายเข้าใจคําว่าเครียดไหมเข้าใจไหมเครียดเนี่ย เออมันตรงข้ามกับเครียดเนะี่ยภาวะที่เครียดเออยุดหงิ ด, ดเอยงทั้งหลายเนี่ยแต่จิตมันผ่อนคลายเนี่ยแปลว่ามันสงบกายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายแล้วก็ปัสธิทก็เป็นปัจจัยแก่สุขสุขนี่รวมถึงสุขกายด้วยนะฉะนั้นคนที่ร่างกายเป็นทุกข์กระสับกรสาย จะเินสมาธิไม่ได้ไม่ได้เลยั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยจะตั้งอยู่บรสุขสมนัตจิตที่จิตที่สุขเนี่ยความสดชื่นทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะภาวะที่ภาวะที่จิตนั้นมันมันเกิดภาวะเกิดความสุขถ้าสุขไม่เกิด ปัสสตที่เนี่ยปะสะัสสตทีเป็นฐานของปิติเออเป็นฐานของสุขให้สังเกตดู ว, ว่าไอ้ตัวพอเราจะพูดถึงในเรื่องของสมาธิเนี่ยก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของปราโมทก็คือใจที่ล่าเริงเบิกบานแล้วก็แจ่มใสบางทีเนี่ยต้อง เข้าใจถึงภาวะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนี่นะไอ้ที่คำว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกมันเป็นยังไงต้องรู้มันรู้ที่ภาวะที่จิตใจมันเบิกบานยังไงมันผ่องใสยังไงแต่การที่ใจเราจะได้ความเบิกบานผ่องใสแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งด้านกุศลศีลของเราเนี่ย ด้านการให้ทานการรักษาศีลกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเนี่ยแปลว่าเราได้แล้วได้ภาวะที่จิตใจเนี่ยร่าพรื่นเบิกบานจิตใจโปร่งเบาไม่คุณมัวไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองปราโมทเนี่ยมันมีความที่จิตไม่คุณมัวเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ยถ้าเราต้องการอยากจะให้เกิดความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสเนี่ย เราก็จะต้องฝึกจากการที่การให้การสละการแบ่งปันการให้การสละการแบ่งปันเนี่ยก็คือการให้ความปลอดภัยในชีวิตก็เรียกว่าให้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินก็เรียกว่าให้ให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาก็ให้ในความปลอดภัยคือให้คำสัตว์คำจริงเป็นต้นแล้วก็ตอนถึงให้ความไม่มีเวรภัยให้ให้ความไม่หวาดระแวง ลักษณะอย่างเนี้ยการที่เราได้ให้อย่างเนี้ยเห็นไหมว่าละ่ะถ้าให้ของให้วัตถุสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้นี่ระดับทานนั้นะจิตใจจะต้องปราโมทเบิกบานผ่องใสปราบรื้มใช่ไหมทีนี้ถ้าปีติก็แปลว่าอิ่มใจปราบรื้มใจเนี่ยมันเจาะลงไปแต่ละเรื่องแต่ละกิจนะเช่นเวลาเราทำอาหารทำอาหารแล้วเราให้ทาน ได้อาหารมาแล้วทำเนี่ยพอเราเกิดปลาโมดแล้วเนี่ยมันได้อิ่มใจที่เราได้ให้ได้สละได้แบ่งปันเคยเป็นไหมไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้หรือว่าไม่เคยฝึกจิตให้เป็นไปกันอย่างนี้เราจะไม่รู้สภาพของเขาเลยนะว่ามันเกิดขึ้นในสภาพที่เราได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่มันจะไม่เหมือนกันนะว่าบางคน ได้รู้สึกว่าเราได้พูดเอ่อเราได้พูดคำจริงกับคนเนี่ยพูดจาไพเราะได้อ่อนน้อมได้สวดมนต์ได้ใช้คำพูดของตนเองไปสวดมนต์อย่างยกตัวอย่างนะ อ, อ่ลองลองนั่งหลับตาดูนั่งหลับตาให้สังเกต ด, ดูนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะสวดนะจะสวด สวดมนต์เนี่ยและให้เราฟังเสียงสวดแล้วลองสังเกตดูว่าจิตเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นนะเนี่ยพระจะลองสวดมนต์แล้วก็ให้เราตามเสียงสวดเวลาพระสวดเป็นไปตามลำดับเราก็เราก็ส่งจิต ตามคําสวดนั้นไปให้สังเกตดูว่าภาวะที่จิตเราเป็นสมาธิจิตเราล่าเริงจิตเราอาฐานจิตเราผ่องใสนะ่มันเป็นยังไงอย่าลองสวดสักนิดหนึ่งนะเอวมเมสุตงังเอกังสมยังภควา บาราณสิยังวิหารตีอิสิปตเนมิกคทายตัทรโคภาควาปัญเจวากีเยพิโูอามันเตสีเทเวเมพิกคเวอุพวันเตนุปคามา มัชิมาปฏิปาทาตถาคตนาพิสัมพุท ธ, ธาลองสังเกต ด, ดูนะ เ, เราลืมตาขึ้นทิ่ติี เ, เวลาพระสวดอย่างเงี้ยใจเราเป็นยังไงพอได้ยินเสียงพระสวดอย่างเงี้ยจิตเราจิตเราเวลาตามตามเสียงที่พระสวดเนี่ย เวลาตามเสียงที่พระสวดเนี่ยมันเป็นสมาธิไหมนี่ลองโดยนะจะลองสวดสักประมาณสักสามนาทีถ้าสวดจบจะไม่ไหวเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหรารตีอิสิปะตะเนมิกาทาย ทัตตะโคภะคะวะปัญจวัคคีย์พิกูลามันเตสีเทเวเมพิกขเวอันตาภะพิจเตนะนะเสวิตาพากัตะเมเวโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโข ฮินกอคโมโบโทชนิโกอนาเรียอนาตาซา니โตโยจายังอตกิรมาทาโนโยโกโตอนาเรียอนาตาซา니โตะเอเตเตพิกคเวฮุพวันเตอโนบะคมา มัชฌิมาปฏิปทาทัาคเตนาภิสัมพุธาจากคุกรณียาณากุรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมโบธาญานิพาณญาสังวัตติขตมาจะสาภิกเขเวมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคเตนาบิสัมบุตตาจากุกรณียานักกะรนีโอปัสสามยาพิญญายาสัมโพธายานิพานายสังวัตติยเมวะอริโยอะทังคิโกมักโคศยยาทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสมาสมาธิเอาละแค่นี้แหละเวลาเวลาพระสวดเนี่ย ฟังเสียงพระนี่จิตเป็นสมาธิไหมคำว่าสมาธิเนี่ยก็แปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวที่สวดตรงนี้ให้ฟังว่าต้องการอยากให้เราเข้าใจว่าอ๋อคำว่าสมาธิก็คือภาวะที่จิตนั้นมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ซ่างสายนั้นคาว่าสัมมาสมาธิเนี่ย ก็แปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตหรือภาวะที่จิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดเช่นเสียงเนี่ยเวลาพระท่านสวดสาธยายในยเอวเมสสุตังเยกังสมายังะกวานเนี่ยจิตเราก็ตั้งแล้วก็แน่วแน่อยู่กับเสียงนั้นแล้วก็ไม่ไปกับเรื่องอื่นคำว่าแน่วแน่ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่านิ่งไม่รู้เรื่องนะ ฟังเรื่องนั้นอยู่จิตก็จดจ่อในเรื่องนั้นและเสียงเกิดขึ้นอยางติดต่อก็ฟังติดต่อกับเรื่องนั้นไม่ซัดสายไปในเรื่องอื่นเลยไอลักษณะอย่างนั้นไอภาวะอย่างนั้นเขาเรียกภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวพอจะเข้าใจนะฉะนั้นไอคำว่าสัมมาส ม, มาธิเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะเป็นองค์มากข้อสุดท้าย ที่เราจะมาฝึกกันเนี่ยเขาแปลว่าจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยหรือการที่กําหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือไม่พงซ่านไม่พงซ่านก็คือภาวะที่จิตนั้นไม่ซัดสายไม่สายไปในชั้นคําสอนเขาบอกว่าอสมาธิเนี่ยก็คือภาวะที่มีจิตที่มีอารมณ์คือ สภาวะที่กุศลจิตเกิดขึ้นด้วยและในขณะเดียวกันก็คือว่ามีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตนั้นก็หมายความว่าการที่สามารถที่จะดำรงจิตและเจตสิกเนี่ยนะไว้ในอารมณ์เดียวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ด้วยดีราว่าสม่ำเสมอแล้วด้วยดีเนี่ยนั้นภาวะที่ ถ้าเราจะกำหนดสิ่งใดจิตก็อยู่ในเรื่องนั้นนี่เป็นสมาธิและถ้าสามารถอยู่กับสิ่งนั้นตามที่ตนเองต้องการได้อันนี้ภาวะที่จิตนั้นเป็นสมาธิค่อนข้างดีแล้วเช่นเราต้องการอยากจะให้จิตเนี้ยตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้หนึ่งนาทีก็ตั้งได้สองนาทีก็ตั้งได้ตามที่กำหนด เช่นเราฟังเสียงเวลาเสียงพูดเนี่ยจิตก็จดจ่ออยู่กับเสียงที่พูดนั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาพระสาธยายธรรมะสมัยก่อนเนี่ยพระท่านจะสาธยายธรรมะค่อนข้างเยอะใช่ไหมท่านจะสาธยายเร็วมากอย่างเช่นเอวาเมีสุตังเอกังสมยยังปักวาบารานเสียงวรารตีสิปเทนีนมุกตาเยเนี่ยเสียงก็เราก็ฟังจดจ่ออยู่กับในเรื่องนั้นไม่สัดสายไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลย ไอ้ภาวะลักษณะนี้แหละเขาเรียกภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาสมาธิคืออะไรความมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตความมั่นลงไปแห่งจิตความไม่สายไปความไม่พุ่งสัน้นแห่งจิตภาวะจิตที่ไม่ซัดส า, ายความสงบสมะถะสมาธินีสมาธิพาละสมา สัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงนี้เป็นองค์แห่งมรรคเนะอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเออสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิที่ใช่ในถูกทางพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุที่มีจิตตั้งมาผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนี้เป็นพุทธพจน์ ทีนี้ในระดับของสมาธิเนี่ยมีสามระดับที่คักระดับขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อปนาสมาธิขณิกาสมาธิก็แปลว่าสมาธิชั่วขณะในชั้นการเริ่มฝึกเบื้องต้นเนี่ย เ, ออเป็นสมาธิขั้นต้นสมาธิขั้นต้นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเป็นเริ่มยกตัวอย่างเช่นว่าภาวะที่เราเริ่มจะ ก, กําหนด สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ภาวะที่จิตนั้นเริ่มตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นได้ระยะแรกเนี่ยระยะอย่างนี้เขาเรียกว่าคณิกะถ้าอุปจารสมาธิก็แปลว่าสมาธิที่เฉียดหรือสมาธิที่จวนจะแนวแน่นี่เป็นสมาธิที่ขั้นสามารถสงบนิวรธธรรมได้เช่นกามาฉันทะความติดใจใยกสันถูกถูกกาจัดได้ พยาบาทความหงุดหงิดความโกรธขีนมิท้าความหดหู่ทออ้อถอยอุทะจักกุกจากความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี่อุปจารสมาธิจะสามารถกำจัดไอ้นิวรธรรมเหล่านี้ได้นี่ระดับแรกส่วนสมาธิระดับสูงเขาเรียกอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิในระดับชานนะ เออทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องสมาธิตรงนี้พอสมควรนี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นบาปอากุศลธรรทำอลามกจะงไม่ก่อกลมจิตเธอตั้งอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนอย่างนี้ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกคณิกะคือตั้งใจว่านึกถึงพุทธพจน์พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมัน่นดํารงแนวเป็นอย่างดีในภายในเออตอนเนี้ยลองมานึกดูนะพวกเราเนี่ยจิตเราไม่ดํารงแนลนะ เช่นเราไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกได้เลยทีนี้คำว่าส ม, สมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างใช่ไหมสมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไอตัวมิจฉาสมาธิเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจที่จะฆ่าสัตว์ถือดาบถือสตราวุธที่จะฟาดฟันไปตรงศัตรูเนี่ย ที่ล่างของศัตรูเนี่ยต้องใช้สมาธิไหมใช้หรือไม่ใช้อันนี้เขาเรียกวิชาสมาธิหรือจ้องตั้งใจจะไปลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นวิฉาสมาธิหรือจ่องหรือตั้งใจมีความตั้งมั่นในการที่จะบอกว่าผิดในการมอันนี้วิฉาสมาธิแต่สัมมาสมาธิเนี่ย เป็นไปในเรื่องที่ดีนะเอ่อยกตัวอย่างเช่นว่าการตั้งใจในการที่จะให้ทานตั้งใจในการที่รักษาศีลนี่เป็นพื้นฐานนะเป็นสมาธิขั้นขณิกะว่าไปแต่ถ้าต้องการที่จะทำให้ดารงแน่วในภายในก็คือดารงมั่นในภายในเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าต้องการที่จะดูลมหายใจเข้าออก ถามว่าลมเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมมีตลอดเวลาไหมมีไม่มีเอ้เนี่ยงั้นการเจรอ า, น า, นาปาญสติเนี่ยง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องหาอุปกรณ์ลมมีอยู่กับเราตลอดเวลาไหมนั่งยืนเดินนอนมีหมดไหมมีหมดเลย แม้เดินอยู่ลมหายใจก็มีนั่งอยู่ลมหายใจก็มีนอนอยู่หรือไปทํากิจใดๆก็แล้วแต่ลมหายใจเคยหยุดไหมมันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นกรรมฐานที่จเจริญง่ายที่สุดเพราะลมมีอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกเป็นธรรมภายในลมหายใจตนเองนี่เป็นธรรมะภายในลมหายใจคนอื่นเป็นธรรมะภายนอกใช่ไหม เป็นกายภายนอกไปฉะนั้นถ้าต้องการจะฝึกหรือจะเจริญอาณาบรนสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยหรือฝึกสมาธิเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกดีที่สุดคือลมหายใจเข้าออกที่พระริจ้าอบม า, อ, มาอย่างไรอปมาว่าจิตเหมือนวัวป่ายอมก็เห็นวัวไหม จิตเหมือนวัวป่าสติเหมือนเชือกลมหายใจเข้าออกเหมือนหลักตามธรรมดางัววัวเนี่ยไอ้ลูกวัวมันแสนสนที่ลูกวัวมันดื้่อเนี่ยถ้าหากคนเลี้ยงวัวต้องการจะพากไอ้ลูกวัวเนี่ยตอนที่มันยังติดมันยังไม่หย่านมเนี่ยต้องการภาคให้ออกจากแม่เนี่ยยากหรือไม่ยาก ยากไหมแต่สามารถทำได้หรือไม่ได้ทำได้ถ้ามีเชือกและมีอุบายวิธีฉะนั้นไอ้เจ้าของวัวเนี่ยที่เลี้ยงวัวไอ้ลูกวัวตัวนี้มันดื่มนมทุกหยดจากแม่ของมันแต่ไอ้วัวป่าตัวนี้มันเป็นวัวดือ้อเป็นวัวขี้โกงมาก และไอ้ลูกของมันที่คลอดออกมาเนี่ยมันก็ดื่มนมทุกหยดจากแม่มันเนี่ยมันจะติดนิสัยแม่ไหมติดไม่ติดโหติดนะมันก็จะดือ้อขี้โกงเหมือนแม่มันนี่แหละเอาแล้วแนี้ถ้าเราจะฝึกจิตเราเหมือนลูกวัวเนี่ยที่มันดื่มน้ำนมทุกหยดจากแม่งมันเนี่ยใช่ไหจากอกแม่มเขาเนี่ยในสังสารวัที่ผ่านมา หรือตลอดถึงกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยถามว่าจิตของเรามันเคยอยู่นิ่งไหมมันวิ่งไปทั่วไหมวิ่งไปตามเรื่องราวต่างๆไปหาสีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลท่าบ้างแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายเลยใช่ไหมวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะคอนโทรหรือกำกับมันได้เลยมันวิ่งไปไหมเอาละแต่เนี้ยเรามาเข้าคอร์สอบรมอานาปณสติ เรารู้แล้วว่าจิตเหมือนลูกวัวดื้ที่มันดื่มนมทุกหยดจากแม่โคขี้โกงทั้งหลายเนี่ยไอ้คำว่าแม่โคที่มันโกงเนี่ยไอ้โคขี้โกงวัวขี้โกงเนี่ยมันมีนิสัยยังไงยอมรู้ไหมรู้ไหมเอาไปเข้าแอรเข้าไถอะไรมันมันไม่มันไม่ทำดังนั้นแหละมันขี้โกงมัน ทีนี้ไอ้ลูกวัวมันดื่มนุ่นมแม่มนมามันก็เป็นวัวขี้โกงไงทีนี้เอาละเจ้าของวัวเนี่ยก็ใช้เชือกมัดมัดที่ไหนมัดที่คอของวัวนี่พอมัดที่คอของวัวไปผูกไว้ที่ไหนผูกไว้ที่หลักเพราะผูกไว้ที่หลักแล้วเนี่ยเชือกดีไหมเชือกต้องดีไหมเชือกต้องดีแข็งแรงมั่นคง หลักดีไหมหลักก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วแข็งแรงแล้วมั่นคงฉะนั้นพอมัดใหม่ๆเนี่ยลูกวัวมันดิ้นหรือเปล่าเด่นไหมเด้นยังไงมันจะสามารถไปได้หรือไม่ได้เมืมันถูกมัดเข้าไว้มันดิ้นซ้ายดิ้นขวาดิ้นซ้ายยินขวาที่สุดจริงๆมันถูกมัดเข้าไว้น่ะมันก็ไม่สามารถที่จะออกจากหลักเาพอมันไปแล้วมันวิ่งมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดยงเป็นไง เหนื่อยไหมเพราะเหนื่อยเบียดเสร็จแล้วโูกวัวมันเป็นไงมันก็นอนมันนอนที่ตรงไหนมันก็นอนแม่อยู่ตรงหลักนั่นแหละแม้ฉันใดเอาโอบามาโูกวัวดื้อเหมือนอะไรเหมือนจิตของใครเออจิตของพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นจิตที่เป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึก อันต่อไปต้องเอาอะไรมามามัดใช้สติเชื่อคือสติอสติแปลว่าอะไรเนี้ยสตินี่เป็นธรรมชาติที่คอยกํากับนะละลึกก็ได้กํากับก็ได้กํากับจิตนะก็คือมัดน่ผูกจิตไว้ผูกจิตไว้ มัดจิตไว้นะเหมือนจิตเหมือนวัวใช่ไหมก็ผูกเอาจะเอาสติเป็นเชือกผูกคอวัวก็ผูกผูกจิตไว้แล้วมามัดกับอะไรมามัดกับหลักคือลมลมหายใจเข้าแล้วออกเหมือนหลักเข้าใจอย่างเหมือนหลักทีนี้เวลามัดมาผูกเขาไว้ตรงนี้แปลว่าเราระลึกนี่ยอมตั้งระลึกดูดีเวลาหายใจเข้าออกลองดูลมเข้าลมออกให้ระลึกอยู่แค่เนี้ย อย่าตามเข้าไปข้างในอยู่แค่ตรงนี้ปลายจมูกหรือริมวิปากให้สังเกตดูเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยลมกระทบตรงไหนกระทบที่ปลายจมูกหรือริมวิปากนั่นแหละลมนั่นแหละเป็นหลักเชื่อคือสตินะจิตเหมือนวัวก็ใช้เชื่อคือสตินั้นอนะ่ะผูกจิตไว้ มัดจิตไว้แล้วก็มาผูกไว้กันหลักคือลมนะไม่ๆสังเกตตัวที่มันวิ่งไปทีงอื่นไหมเราก็มีสติดึงไว้กํากับไว้จัดการไว้ดึงไปเรื่องนูน้นกขกลับมาไม่เป็นไรขายายยางมันจะโดดมันจะดิ้นยังไงก็แล้วแต่แต่ตัวไหนเป็นตัวดึงไว้สติทําหน้าที่ดึงดึงอะไร ดึงจิตไว้ผูกจิตไว้ให้อยู่กับหลักคือลมนี่หลักการมีแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายไม่ง่ายง่ายแล้วนะแต่เนี้ยนะเอาละแต่เนี้ยลักษณะอย่างนี้แหละว่าพุทธเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอเพิงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมัน่นตอนนี้จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมัน่นไม่ตั้งมัน่น ฉะนั้นให้ตั้งใจว่าเราจะฝึกฝนเราจะพัฒนาเราจะฝึกจิตที่มันซัดสายฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆให้กลับมาตั้งมัน่นณะที่ลมหายใจเข้าออกณนะจุดเดียวเท่านี้แหละใช้อะไรเป็นตัวมัดใช้สติคือความระลึกมัดไว้ฉะนั้นตัวสติจะต้องดึงอยู่ตลอดเวลา ผูกอยู่ตลอดเวลากำกับอยู่ตลอดเวลานะกำกับจิตให้อยู่กับลมตลอดถึงไปอย่าไปโกรธนะท่านไปทางอื่นก็ไม่โกรธกำกับไว้ให้อยู่กับลมกำกับไว้อยู่กับลมอยู่ตลอดเลยนะให้กำกับอยู่ตลอดและเมื่อกำกับไว้อย่างนี้นานเข้านานเข้าเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้สมาธิเริ่มเด่นขึ้น ตอนนี้สมาธิไม่เด่นเลยแต่ถ้าใช้สติกำกับลมมากขึ้นมากขึ้นมาเลยในที่สุดจริงๆจิตมันจะเริ่มดิ้นหยุดดิ้นใหม่ๆมันจะดิ้นดิ้นตลอดเวลาเด้นไม่หยุดหรือไม่อย่างนั้นก็หลับใช่มถ้าหลับแล้วก็ดึงไว้ใช้สติดึงไว้มันจะสองส่วนนะหนึ่งดิ้นพอมันดิ้นดิ้นเริ่มเหนื่อยแล้วมันจะหลับ หลับเราดึงไว้ไหมใช้สติดึงไหมสติดึงปลุกเราไว้ไม่ให้หลับเข้าใจยังดึงไว้นาเข้านาเข้าไอ้เจ้าจิตเนี้ยมันจะหยุดสั้นสายแล้วมันก็จะมันแนบอยู่กับหลักคือลมพอแนบอยู่กับหลักคือลมเนี่ยตอนนั้นแปลว่าสติไม่ต้องทำงานมากแล้ว สมาธิเริ่มเด่นขึ้นมันจะเริ่มตั้งมั่นไม่ซัดสายนะมันแน่วแน่ในอารมณ์เดียวเนี่ยแค่นี้เองวิธีการฝึกง่ายไหมทีนี้มันมันดีตรงไหนดีตรงที่ตอนเริ่มฝึกมันรู้สึกมันสนุกมาก สนุกยังไงมันสนุกตอนที่มันเริ่มสัดสายเนี่ยแหมมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นตื่นเต้นที่เราได้ดึงเฮ้ยมันไปทั้งอื่นแล้วก็ดึงมามันจะหลับแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่ให้หลับเนี่ยตอนนี้มันตื่นเต้นตรงเนี้ยมันได้ฝึกฝนได้พัฒนาได้เพียรได้ศึกษาได้เรียนรู้เขา้าใจยังงั้นการเจริญสมาธิเนี่ยดีตรงเนี้ย งั้นเราจักเป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นดํารงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในทําทั้งหลายที่ชั่วร้ายตอนนั้นนะบาปอากุศลและทำทั้งหลายมันจะได้ไม่เกาะกลุมจิตเราอยู่ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าภิกษุเธอพึงศึกษาเธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามกระทําอย่างนี้อันนี้ข้อแรกงั้นฝึกให้จิตเป็นคณิกาสมาธิเเบื้องเริ่มต้นให้ได้ ทีนี้พอได้ขันกาสมาธิแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงต่อเมื่อใดแลจิตของเธอเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นดารงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในทาทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลไม่ก่อคุมจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอต้องศึกษาอย่างนี้ว่าใช่ไหมพอได้ขั้นที่หนึ่งเริ่มตั้งมั่นได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ย พระเจ้าบอกให้ฝึกต่อไปให้เพียรพยายามต่อไปให้กระทาต่อไปให้เจริญให้กระทำให้มากจากการที่ได้หนึ่งนาทีให้เพิ่มสองนาทีเพิ่มสามนาทีสนาทีเพิ่มไปเรื่อยๆให้จิตนั้นดำลงแน่วแน่ตั้งมั่นในธรรมะภายในมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ได้แค่นั้นแล้วพอใจให้ฝึกเจริญให้กระทำให้มาก พอเข้าใจแค่นี้นะทำให้มากทำให้เป็นทาให้มากก็คือทำให้เป็นดุจยานน่ะให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนก็สามารถที่จะนำพาสภาพธรรมคือจิตของเราให้ตั้งมั่นได้อย่างยาวนานได้ไม่ใช่แค่ตั้งแป๊บเดียวแล้วก็ไปทั้งอื่นไม่เอานั้นค่อยๆเพิ่มจานวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้ น, น, น, นแค่นี้แหละ แล้วจะประสบความสาเร็จได้มีใครสงสัยไหมมีใครอยากถามเลยไหมมีใครจะถามอะไรไหมเรื่องสมาธิยวได้ฝึกมีไหมไม่มีนะฉะนั้นการเจริญสมาธิที่บอกเงี่ยนะว่าเห็นไมเมื่อทำาั้นนี้กาสมาธิได้แล้วก็ฝึกต่อก็ทำให้มาก ก็ทำให้เป็นดุดยานทำให้ตั้งมัน่นสั่งสมจัดเจนก็คือว่าสามารถจะเพิ่มจากการตั้งมั่นหนึ่งนาทีเป็นสองเป็นสามกันไปเลือยจนในที่สุดจริงๆสามารถตั้งมั่นได้อย่างยาวนานนี่ก็เรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยบาปอากุศลระธรรมทั้งหลายมันจะถูกขจัดออกนะของเสียในจิตทั้งหลายมันจะถูกกระเทาะออกกระเทาะ อ, อ เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอีกที